ฟังเรื่องจิตฟังไม่เบื่อแล้วเรืองจิตไ ม, ไม่เบื่ออ๋อมันวิ่งไปทั่วเรต้องฟังไปวุ่นจะถามแล้วก็จิตสั้ น, น, น, น, น, นจิตมันสั้นได้ดิลยผมเคยเคยไปนั่งดูไปเป็นวันเลยนะว่าจิตมันผูกมันอยู่ที่ไหนแล้วมันก็พอไ ป, ไประยะหนึ่งอุอ้ยป้ามันบอกผมก็เลยว่าเออไปอยู่ทุกที่แหละทุกที่หมายถึงที่ในร่างกายอืม มันแผ่ไปก็ขัดตรงไหน่ะโ้วยคราเรื่องไฟฉายมาที่ใชายู่ไหรออันแหนก็ได้ครับมีมีไฟฉายพมคนจะแบบทดสอบก็าจิตเป็นยังไงในาตาแกที่นอกครับตาแกที่นอกมีละเป็นรถมีนะถ้าอยากจะรู้ว่า สภาพของกิจมันเป็นยังไงเปิดยังไงในทีนี้เ น, นี่ยครับสมมุตินะตัวนี้ตัวสองออกไปเนี่ยตัวทําให้เกิดแสงอยู่ข้างในใช่ไหมยอยู่ในนี้นะแต่ที่ออกไปคือแสงใช่ไหมที่ออกไปนี่คือแสงถ้าเปรียบถึงเหมือนกิจก็คือตัวที่ก่อให้เกิดแสง แสงเต็มเลยใช่แต่แสงนั้นไม่ใช่จิตแต่เกิดจากจิตเข้าใจไหมเพราะนั้นที่ออกไปไม่ใช่จิตออกไปเขาเรียกเป็นอากาศของจิตไหมไม่มันจะเรียกอะไรก็ได้ครรับหือไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงคือตัวที่ออกไปน่ะมันเป็นแสงแต่จิตไม่ได้ออกไปครับจิตมันอยู่ที่เดิมความรู้จะเรียกว่าความรู้หรือเรียกอะไรก็ได้มันออกไปอย่างนี้นะ เพราะจิตเป็นมีรัศมีใช่ไหมล่ะมีรัศมีเป็นคังมศสมใช่ไหมผ่องใสหรือมีความแผลสร้างออกไปเป็นรัศมีภายในตัวของจิตที่ออกไปนั้นคือแสงหรือรัศมีแต่จิตอยู่ที่เดิม <c oughs> เพราะอั้นเขาบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกจิตไม่ได้ออกนอกอ่ะอก็จิตอยู่ที่เดิมที่ออกนอกไปไม่ใช่จิต แต่เป็นอุบายไงที่ที่ลุกปู่ท่านสอนว่ามันเป็นอุบายอุบายไงเรารู้จักจิตที่มันเป็นต้นกําเนิดอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนมันไม่เคยไปไหนเลยจิตตามหลาพี่ทํำก็บอกอยู่คาทัยว่าถูกถูกต้องอันั้นอ่ะคือความจริงแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะคาทัยวัตถุอยู่ที่ที่ที่ในที่จิตที่ที่ไรใช่ทํากลางขอกเรานี่ใช่คาไทยวัตถุอยู่ที่แถวกลวงว่าใจตรงนั้นนะ จะไิตมีความเร็วจิตคิดกับจิตแรกอเมรกันไหมฮะคิดไปนนไปนี่มู๊ไปไวมคิดทีนึงก็แวบบไปทีนึงเนี้ยมันกแต่มันแบบวบแบบแบบเร็วแตงที่ออกไปคือแสงไม่ใช่ตัวจิตครับแสงนี้จึงออกไปภายนอกได้เมืม่อออกไปภายนอกจึงเห็น <c oughs> ถูกต้องสิ่งใดก็เห็นสิ่ง น, ะนั้นคือเพราะว่า แสงมันแผ่สร้างออกไปน่ะสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งที่สัมผัสนั้นมันถูกรับรู้ด้วยแล้วรับรู้เมื่อรับรู้ตัวรับรู้อยู่ภายในคือจิตแต่แสงแค่ตัวรับรู้แสงแค่แค่สานไปกระทบไปแค่สัมผัสไปแค่สัมผัสสัมผัสเฉยแต่มันก็ส่งสัญญาณมาที่จิตใช่ตอนนั้นถ้าส่งมาทางตามาตามมันก็รับรู้ภาพที่เห็นอแต่มันจะคลายตอกคืนหรือเปล่าเวลาเรา ส่งไฟฉายไปมันจะรู้ว่าส่งถึงตรนไม้นั้นรู้ว่าตรงไม้ตรงนั้นตรงคือตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นตัวที่ไปรู้ตรนไม้ไม่ใช่วิ่งไปรู้นะครับอยู่ที่นี่แหละครับอยู่ที่เดิมแหละแต่ว่ามันเห็นแล้วมันรู้อ่ะทันทีเลยเพราะฉะนั้นแสงไปกระทบสิ่งใดมันก็สมผลคือเป็นความรู้ภายในนี้เพราะฉะนั้นกิจไม่ได้ออกไปออกไปอะไรคือแสงเงี้ยถ้าคนเข้าใจตรงเนี้ยก็จะ อธิบายคําว่าก็ก็อยู่ตรงก็อยู่ตรงนี้ว่าสิ่งที่มันออกไปแล้วมันกระทบกับอารมณ์ไหนออกมาออกไปแล้วมันกระทบกับอะไรไม่ออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใช่ไหมหลักคุณจะไปพูดเรื่องปรัชญาพิธาน่ะจิตแต่จิตไม่ได้ออกไปที่เป็นพระสอนคือถ้าคนเข้าใจแสง่าอะไรและสมมติเจิตที่ออกไปก็เลยจะจะเข้าใจว่าจิตโยมแท้มันไม่มีไง ใช่ไหมฮะมันมันแค่เป็นเป็นประพันสอนคือกําลังของเราสมุนที่จิตออกไปรู้ได้แหละเนาะก็แค่นี้เองเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจึงพยายามควบคุมจิตไม่ให้ออกไปโน่นไม่ให้สายไปนี่ไม่ให้มันไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วจิตมันไปไม่ได้เพราะมันอยู่ในนี้มันไปไม่ได้ในหัวเองมันจิตมันแรงจะทำไงมันอยู่ตรงนี้ไม่เลยจะทำไงนี้นะงงอย่างใช้คำนะเป็น เป็นาษาที่ใช้เนียเหมือนกับเหมือนกับมองเห็นอาตมาเนี่ยลูกกตาได้พุ่งมาที่นี่ไหมลูกตามออกมาจากเบ้าตามไหมแล้วฮะเป็นเป็นวิญญาณความรู้ที่ออกไปใช่คือมันก็อยู่ในนั้นอ่ะ ต, ตัวตานะอยู่ในนั้นแต่มองเห็นมันไม่ได้ไปอาการไปไม่มีพอรับทราบก็เกิดมารับทราบแล้วกระดับลงไปเกิดมารับทราบก็ดับลงไป อาจารย์ก็จิตก็คือเวทนาสัญญาสันฐานวิญญาณนี่แหละก็ตัวเดียวกันถ้าพูดถึงใช่ก็คือตัวเดียวกันประกอบให้มีจิตอประกอบให้มีจิตเวทนาสัญญาสันฐานวิญญาณอันนี้มันประกอบมาจากอะไรห่อที่นี่มันมาประกอบไม่มีทําไมมันถึงมีแสงออกมาได้มันประกอบมาจากอะไรภายในเอาหมือนกันมันจู่ๆมันไม่มีตัวของมันเองเลยโดดๆมันประกอบประกอบมาอยู่ภายในนี้ จิตโดนโทษไม่ีจิตโดนโทษีนี่มันงไม่มันน้ประกอบไปด้วยเวทนาใช่เวทนาลมหายใจเวทนาล็งพลังงานเร็วมาก่ต้มันก็ทำงานแต่ละครั้งแต่มันเร็วมากเร็วเร็วก็โดยรวมก็คือก็ทุกอย่างเรื่องเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเห็นแสงใช่ไหมแต่เราเห็นแสงเกิดดับไหมไม่เห็นทำไมเราไม่เห็นเั็นเร็วมากเห็นไหมเราเห็นแต่ฟ้าว่าทุดเป็นแสงแต่แสงเกิดดับยังไงเราไม่เห็น แต่ถ้าโดยหลักของวิทยาศาตร์ไม่หลักของการหลักของระบบไฟเป็นกระแสกระแสไฟออกมาได้เป็นเขาเรียกว่ากระแสสลับสลับคือบวกกับลบสลับกันเวลาบวกแสงจะเกิดเวลาลบแสงจะดับเวลาบวกแสงจะเกิดเวลาลบแสงจะดับมันพลิกสลับกันการพลิกสลับกันอย่างเงี้ยแบบรวดเร็วเขาบอกว่าห้าสิบครั้งต่อวิ ในวินาทีหนึงเนี่ยนะห้าิบครั้งสายตาเราไม่สามารถไปมองเห็นห้าิครั้งต่อวินาทีได้ทัน <Okay. S 1> เราเห็นเลยเห็นเพียแค่แสงเราเลยไม่เห็นว่ามันพลิกสลับกันบวกลบบวกลบบวลบสลับกันแบบรวดเร็วมันเร็วเร็วะจนเกินกว่าสายตาที่เราจะมองเห็นแต่ถ้ามีเครื่องมือไปจับจะเห็นขั้วบวกขั้วลบมันพลิกสลับกันตอนที่บวกขึ้นมันก็มีไฟตอนที่ลบสลับไปมันก็มี ม, มันก็ดับไม่มีไฟไม่มีแสงบวกขึ้นมาพลิกสลับขึ้นมาอีกมันก็มีแสงแท้ที่จริงแล้วถ้ามีเครื่องมือไปตรวจเจอหรือว่าสายตาเราทันพอก็จะเห็นไฟมันกระพริบอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ก็ติเ๋ยก็ดับอยู่ตลอดเวลาแต่มันเกิดด้วยเด็วมากเราเลยไม่เห็นการพลิกสลับขอ ง, ขอ ง, ข, องของกระแสเพราอะไรนะนบตบมือปั้นจิตเจอตาคิคัง เจ็ดขนาดเขาเรียกว่าจ็ขนากอกไปตรงเนี้ยตรงแค่เนี้ยจีบเกิดดัที่เราไม่ทันที่ก็สองไปนานนานมาไม่จะไม่เห็นแล้วรแล้วก็ข้าพเจาใช้นิดนึงนะครับที่ว่าพอดีมีก็พวกอยู่เนาะเป็นเป็นพาะปฏิบัติแหละท่านตั้งว้วท่านดูภาษายังเดียวนะดูเนี่ยทงหูทางตาทางเนี่ยเวลาคนพูดมาเนี่ยท่านบอกได้ยินบัญญาเป็นคำคำคำคมาเลยนะก็จะถึงท่านเนี่ยจักไปขนาดนั้นเลยนะครับ นี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับว่าบอกกันจถามได้เวลาเวลาคนพูดเราได้ยินเสียงมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยในเรื่องภายนอกไม่ได้เป็นปัญหาเลยานจปัญหาคือเราเราสามารถถ้าเรารู้ว่าจิตมันอยู่ที่นี่อยู่แล้วมันไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเราจะปฏิบัติยังไงต่อจิตใช้ใช่ทก็เมื่อมันเกิดรับรู้อารมณ์อยู่ในภายในนี้อยู่ก็ต้องมารับรู้ในภายในนี้มารู้เรื่องกันอยู่ในภายในสร้างความรู้ให้กับจิตมันเกิดขึ้นมา อย่าลืมว่าการขณะที่กิตที่เกิดกขึ้นมามันเกิดขึ้นมาพร้อมด้วยทั้งอนุสัยทั้งกิเลสทั้งกรรมทั้งวิบาสทั้งบุญเหตุต่างๆที่เกิดมาพร้อมกับเขาเนะี่ยทั้งอวิชาทั้งตัณหาทั้งอุปทานคือเวลามันรับเป็นรับทราบอารมณ์หนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะดับลงไปเนี่ยมันรับทราบด้วยอํานาจของอวิชาตัณหาอุปทานกรรมแลอะ นิสัยอุปนิสัยอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมารับทราบพอรับทราบด้วยผลรวมอย่างนี้มันก็พร้อมที่จะกระำต่อต่อสิ่งที่มันเกิดมาจากมาจากอาวิชชาตัณหาอุปทานทั้งหมดแต่ถ้าเราไปสร้างความรู้เวลาจิตมันเกิดขึ้นมาในขนาดนั้นแล้วมาสร้างความรู้สึกตัวในจิตขนาดนั้นที่รับทราบอารมณ์มันก็จะไม่สืบต่ออวิชชาตัณหาอุปทานกรรม เรลู้มันตัดเนาะใช่มันจะไม่สืบต่อแต่โดยส่วนมากคนไม่รู้โดยส่วนมากนะคนไม่รู้ไป ค, คอยควบคุมจิตพื่อให้เข้าใจจิตตามความเป็นจริงเพราะเหมือนท่านจะเข้าใจว่าในประจฏิสังขารหน่อบรรดภาษาเป็นตัวกลางกระทบหน่อบางภายในกับภายนอกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไปรู้ตันตรงเนี้ย ถ้าเลยเห็นอะไรเปนช่วงมปนช่วงนะน้อกคำพูดไาเป็นช่วงเจ้าหมอเนี่ยถ้าตัดผัดสะได้นะตัดรู้สึกตัวมันกระทบกันภายในภายนอกเนี่ยมันก็จะเจออันนี้ตัวผัดสะไม่สามารถตัดได้แต่ว่าเม่ไม่ใช่ใช่ไห้ช่วงนี้กระทบอะให้ให้ไปรู้ในกระดานที่กระทบปั๊บว่ามันเป็นอะไรรู้แค่กระทบรู้แค่ไม่ไม่ไม่กัรคือจะคือไม่ปูแตงแต่ไม่ปูแตงในกระดานนั้นเอง แล้วเอ้ย เ, เพูกไปเพมาการีในคนสติเอ้ตอนสติจะต้องแข็งพอที่จะไม่ส ต, ติต้องดีพอส ต, ติต้องดีพอถึงเห็น <c oughs> การการกระทบและการปุ่มไตรของของปุ่มไตรของมันเอาเอย่างนี้ดีกว่ามันวิธีการไม่ใช่เข้าไปดับหรือไม่เข้าไปทําอะไรมันพิ่เพียแค่เรียนรู้ใช้คําว่าเรียนรู้มากกว่าว่าเมื่อจิตมันอยู่อย่างนี้เราก็เรียนรู้ความที่เป็นจิตมันอยู่อย่างนี้เรียนรู้สถานะของจิตที่มันเป็น ในภาวะที่มันเกิดดับรับอารมณ์อยู่ภายในอย่างนี้ทางตามือหมวกลิ้กายใจมันมันก็เกิดดับรับรู้อารมณ์อย่างนี้เกิดดับเกิดดับใป็นตัวเอามันอยู่ตลอดเวลาเพราะ่วก็เรียนรู้การเกิดดับรับอารมณ์ของมันว่ามันดับรับอารมณ์แบบไหนขณะไหนแล้วกระดับลงไปยังไงเกิดดับยังไงรับอารมณ์ยังไงแล้วดับไปยังไงเกิดคือให้รู้การเกิดดับอย่างเงี้ยมนเลยประมวลการปฏิบัติทั้งหมดลงมาสู่การดูการเกิดดับในภายใน พรสิ่งมากระทบมากระทบอยู่แล้วเราเรากั้นไม่ได้เราหลีกเลียงไม่ได้เราห้ามไม่ได้การไปห้ามก็ปฏิบัติผิดอีกห้ามให้เกิดใช่ห้ามห้ามไม่ให้มากระทบเราไม่ได้พราะเราจะเกิดการของจิตปกป้องจิตไปปกป้องทป้องเอาไว้จิตก็คือจิตจิตคือสภาพตัวหนึ่งที่ต้องรับสิ่งที่กระทบถ้าเกิดมารับอารมณ์มันมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ปล่อยให้เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาตามปกติเราไปสร้างพอไม่รู้ขึ้น ถ้เราไม่เข้าใจควบคุมจิตบังคับจิตให้สงบให้ปราศจากความคิดไม่ให้มีความคิดต่างๆน า, นานาทั้งหมดเลยเลยแล้วแต่เป็นการปฏิบัติผิด <c oughs> คนที่ยังไม่มีพื้นฐานให้สร้างพื้นฐานขึ้นมาจากการพิจารณากายจนมั่นคงตั้งมั่นแล้ว <c oughs> เมื่อมั่นคงแล้ว <c oughs> ให้ดูอารมณ์ที่เกิดในจิตภายในนี้ <c oughs> ไม่ต้องมันมันจะหยุดการส่งออกภายนอกอัตโนมัติคือหยุดการเพ่งก อ, อกนั่นเอง เันอุบายทำให้กันบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คืออย่าเพ่งออกตัวจิตไม่ได้ออกหรอกแต be, ่การเพ่งรู uh, ้ออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้สติขาดหายไปด้วยสติไม่ได้อยู่ที่นี้มันไปอยู่เรื่องที่เพ่งออกแต่จิตไม่ได้ออกหรอกแต่เป็นอุบายของา่าดสอนให้เข้ามารับรู้อยู่ภายในมันฟังดูง่ายกว่าจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตมันก็ยุติทุกอย่างเป็นพฤติของจิตเนาะบนดวงจันทร์เขาว่าจิตเห็นจิตแล้วบอกรับจิตตัวไหนไปเห็นจิต เออจิตตัวไหนไปเห็นจิตแสดงว่ามันมีสองจิตเหรอจิตที่เห็นกับจิตสิจิตที่ถูกเห็นหรือยังไงเอมันทีมันก็เหมือนมันซ้อนมันเหมือนเราซ้อนอะไรซ้อนจิตมันมีดวงเดียวไม่ใช่เหรอมันจะซ้อนจิตดวงเดียวนั่นแหละเพว่าจิตมันมีดวงเดียวแล้วก็มีท่ามครับบี่หน้ามาถึงบ้ามันาเราบ้าอะไรนะไม่ถีไม่รู้จัรรู้ิอะไรมีดวงเดียวจิตมันมีตั้งหลายดวงหรอ่า จ้องหลายดวงปอยังไงดีปี้างไม่อจะบอกปีเยอะใช่เป็นทางถ้าปีาจะบอกทาเยอะแยะมากเที่ทาจเอาเอาจิตที่เป็นตัวรู้มาดูจิตที่กำลังเกิดดับและอารมณ์อยู่อย่างนั้นหรือเหมือนจิตที่มันคิดอะไรหรือเหมือนมันเหมือนมันซ้อนเหมือนมันมนีเงาอ่ะจ้ามันเหมือนมีเงาอ่ะเงาเปรียบเทียบนะวันนันผมีเงาอ่ะเหมือนจิตตัวนี้นี่แล้วมีตัวหนึ่ง ที่รู้อารมณ์ของจิตนี้เงาของจิเหมือนกับเงาของกายนั่นคือเราเปรียบเทียบจากวัตถุมได้มันมันเป็นภาวะอยู่ทีเีบางทีมันทีเหมือนกับเรามองมองใครมองแล้วก็แล้วค่ะมันจิตมานก็ชอบใช่ไหมชอบรูปภาพที่เห็นอยู่นั่นแะแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งรู้เป็นตัวสติพิงมามามึงจ้องทำไมอ่ะกระมองดูมองมึงจิตตัวที่จ้องนั้วแม่นี่ตัวที่จ้องนี้แล้วมาถมันเป็นอะไรมันเป็นเคลื่อนเปล่ามันเป็นอะไร หรือว่าจิตซ้อนจิตเนี่ยมีจิตซ้อนจิตอีกก็รู้ว่รู้เป็นอะไรทำไมถึงรู้ว่าจิตส่นนี้มันไปดูเนี่ยดูไปทำไมถ้าไปทำทไมไม่รู้ทำมองดูเนี่ยเขเห็นอะไรนต่อสติถ้าอยากสงเราเห็นคนนาสวยอ๋อตอนแรกคือเราก็เห็นตามธรรมชาติเราเขาสวยแต่มันจะมีตัวอีกตัวนึงบอกว่าเออมันเป็นแค่ท่ามันส่วนีถ้าถ้ามีตัวเขาไปเห็นว่า อันนี้เป็นเพียงแค่ธาตุแสดงไอ้จิตที่บอกว่าสวยนั่งดับไปแล้วจิงจะไปเห็นได้ถ้าไอ้ตัวนั้นไอ้ที่บอกว่าสวยยังไม่ดับมันจะไปเห็นไม่ได้เอออธิบาอย่างนีนั่นหมายถึงว่าคําว่าจิตเห็นจิตคือจิตดวงใหม่ไปเห็นจิตดวงเก่าที่เมื่อกี้นี้มันทําอะไรไว้ใช่เออแล้วก็ดึงตรงไหมแต่ผ่านได ใช่ขนาดดับถูกต้องขนดับนดับคือจิตใบที่ไปเห็นตัวที่ดับไปเมื่อกี้เนี่ยมันทำอะไรไว้ตัวนั้นมันดับไปแล้วขึ้นมาเป็นตัวหมายึ้นมาปั๊บมาพี่เจรนาไม่รนามมันไม่ซ้อนมันไม่มีทางซ้อนต้องมาซ้อนเอ็งมอนมองทไมองมองคือถ้ามองโยอัตราก็ซ้อนแต่ถ้ามองโดยขนาดอย่างเงี้ยมันมีอะไรซ้อนอะไรคือจิตดวงใหม่ที่ขึ้นมาไปเห็นจิตดวงเก่าเท่านั้นเองทีมันทาอะไรไปเมื่อกี้่จริงไอ้เ่นาทำ้จิตเห็นจิตเนี่ย แล้วก็ฟังมาประเมินแต่ไม่เคยสงสัยไงไม่เคยสงสัยไม่เคยตั้งคำถามเพราะว่ามันเป็นขนาดแล้วใช่ไหมที่มันดับดับอยู่ตรงเนี้ยเออจะคิดเก็บพูดไปิออกนี่แะเออที่ไห่างจริงจริงมันเกิดดับเพราะว่าเราเข้าใจง่ายใช่ไหมถ้าเราไม่ยุ่งไม่สนใจไม่ไม่อะไรกับมันนะเราจะเห็นมันมันเกิดมันก็ดับทีนี้พอจิตตัวที่เกิดมาใหม่ไปเห็น จิตดวงเก่าที่ดับลงไปว่ามันทําอะไรไว้มันกําหนดหมายว่านี้เป็นบุญนี้เป็นบาปนี้เป็นงามไ ม, าม่งามนี้เป็นอะไรเป็นอะไรนะเป็นกุศลเป็นอกุศลมันพอมันรู้แล้วปั๊กเนี่ยตัวจิตดวงใหม่ที่เข้าไปพิจารณาเนี่ยมันก็จะสืบตัวเข้ามันด้านการพิจารณาแม้จะพิจาศแบบของเก่าดับไปของใหม่เกิดขึ้นแทนก็เกิดขึ้นมาทําการพิจารณาต่อตัวจิตดวงเก่าเห็นไหมพินาศเห็นการพิจารณาแล้วเห็นเนี่ย สิ่งที่เห็นเป็นสมาธิถิสมาธิถินี้เป็นองค์มรรคใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็เป็นมรรคจิตมรรคจิตเมื่อสมาธิถิเห็นอย่างนั้นจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็จะรับคุณสมบัติของสมาธิถินี้แล้วก็เดินกิจเป็นโพจรต่อสมาธิ ถ, ถิ ก, กําหนดไว้แล้วรู้ทุกมันก็ต้องเกิดการพิจารณาหรือว่าอธิบายเรื่องราวของจิตที่ไปรับทราบอารมณ์ที่ร่วงไปแล้วนนแหะ อาการเราเนี้ยสิ่งที่เปรับรู้รับทราบต่างๆที่เกิดที่ดับนี่เนี่ยมันเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นเห็นเหตุที่เกิดทุกข์เห็นความดับของทุกข์เห็นการปฏิบัติที่จะเข้าไปดับทุกข์ว่าขณะแห่งการเกิดและการดับของจิตในแต่ละขณะที่มันรับรู้รับทราบอารมณ์ในแต่ละอารมณ์ <c oughs> ก็คือการปฏิบัติต่อการเกิดการดับนั้นโดยการรู้จักการเกิดตามความจริงและการดับตามความจริงของสิ่งที่มันเกิดงั้นไอตอนเห็นที่สวย หรือไม่สวยนะเห็นเราให้มันจริงกันแหละเออแต่พอวตัวนั้นดับไปก็มาพิ่นาใหม่ถึงจะเข้าใช่โอกาสพี่นาตามมัดได้แหละแต่ถ้าไม่พิจรารณามัดไม่มาประกอบกับจิตจิตที่เกิดมารับใหม่ก็ไม่ได้เกิดประกอบไปด้วยมัดเมื่อเป็ไม่ประกอบไปด้วยมัดมันก็อาจจะเป็นจิตที่พี่นาเห็นจิตขณะขณะที่ดับไปนั้นว่าเอ๊ะจิตเราไปเพ่งอยู่กับความสวยปั๊บเมื่อพี่นาเห็นปั๊บ พอรู้ทันมีสติปั๊บแล้วไม่ปรุงแต่งต่อหยุดอยู่ตอนนั้นแต่แต่ถ้าไม่อธิบายให้กับจิตได้ทราบสิ่งที่ร่วงไปนั้นขณะจิตที่สวยไม่สวยถ้ า, ถ, าถ้าไม่อธิบายเนี่ยสามาทิ ถ, ถิมัจะไม่เกิด น, นะไม่อธิบายวันนี้ทุกนี้เหตุที่เกิดทุกแต่งด้บ้าน เ, เลย ม, มันได้มันได้สติอยู่ต้องเตือนด้วยต้องต้องบอกด้วยสิ่งที่ควรทําก็คือหนึ่งอธิบายให้จิตได้ทราบขณะจิตที่ร่วงไปแล้วคืออธิบายให้จิตได้ทราบขณะปัจจุบันของจิตที่เหตุกำลัง พิจารณาให้ทราบที่รว้ไปแล้วนั้นคือกระบวนการของอริยสัจทัน์เองและอธิบายให้จิตเพิ่มเติมว่าอันนี้คือสังขารขันอันนี้คือเบทนาขันอันนี้คือสัญญาขันอันนี้คือวิญญาณขันนั้นะคือรูปประขันอธิบายให้จิตได้ทราบว่ะจัดอาลมณ์ทั้งปวงลงในขันให้ถูกให้ถูกขันอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องประกอบจิตให้เกิดมั้ เพราะอย่าลืมว่าจิตดวงหนึ่งที่เกิดรับทราบอารมณ์เพราะว่าสวยปั๊บเนี่ยมันสวยด้วยอํานาจของอริชาเนี่ยตัณหาอุปท า, านกรรมพร้อมเลยในนั้นอะ่ะคือมันถูกประกอบมาด้วยอำนาจของกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดอรมิมัคเราก็ต้องใช้องค์ประกอบลหลายอย่างทั้งการที่นาเห็นอรยิยสัจแล้วก็พี่นาเห็นเป็นขัน เ, เป็นขันว่าขณะที่เห็นว่าสวยมันเป็นอะไรเป็นขันอะไรชนิดไหนหรือว่าขันห้าเกิดขึ้น พร้อมกันในขณะที่เห็นนั้นย <c àng> ังไงารนะคะถ้าเกิดตอนที่เราเห็นมันสวยปั๊บก็คือยังหลงอยู่กับเห็นว่าสวยไงเอ๊ะตอนนั้นคือเราตายไปปุ๊บตอนนั้นสิดับตอนนั้นมนก็อันตรายะก็อันตรายเพราะมันมีอริชาตเท้าประธานกรรมในนั้นเพราะไปเกิดชาติเป็นไงก็ไปเกเป็นอันเกิดเป็นอันไหน็ถ้าเห็นวัตถุสิ่งของสวยงามก็จะไปเกาะอยู่กับวัตถุอันนั้นเหมือนกับที่สูงี่ ยินดีในภาคเลนแต่ถ้าเราเกิดมีสติรู้ตัวทีหลังตอนนั้นมันเป็นแค่เราตัวเสยไปแค่ขาตัวเสยไปเลยไอ้นั่นคือสติมันกลับมาที่อสติกลับมาตัวนั้นต้องดับไปด้วยแล้วมาพิจารณาจิตที่ดับไปเพราะฉะนั้นคําว่าจิตเห็นจิตคือจิตที่เกิดขึ้นมาดูจิตที่ดับไปนะจิตมันจะได้ไปพิจารณาทีหลังอ๋อตอนนี้มันเป็นแค่ขัา ไอตอนนิบากรรมตัว น, นั้นมันก็หายไปใช่ไหมที่ว่าเกิ ด, ดเป็นสัตว์อะไรเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถอธิบายเรื่องเราของจิตคือสําหรับผู้ที่เห็นนะ<ช>จะอธิบายให้กับตัวเองได้ทราบได้เข้าใจว่า<ช>ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนใดๆเลยมีเพียงแต่ว่าระบบที่มันทําหน้าที่ของมันโดยธรรมชาติมันเป็นระบบของธรรมชาติเสภานั้นเพียงแต่ว่าเราเข้าไปรู้หรือไม่เข้าไปรู้ก็แล้วแต่ พี่จันเราไม่รรู้มัเลยเหมาประธานถึงว่าเป็นตัวตนเป็นอะไรอะไรที่คือมันมีระบบ เ, ออเป็นระบบก็เรื่องจิตแค่นี้ไม <c oughs> <c oughs> ่อะไรซบัซบซ้อ <c> น <oughs> ถ้าถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้เราก็จะรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อจิตเนี่ยว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงใช่ไหแลวตัวเหตุตัวกุศลเหตุทั้งหลายอะไร ที่มันเกิดขึ้นมาแบบตัวไหนมันจะเข้ามาก่อนมาหลาังเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าอะไมันจะเกิดขึ้นตอบขึ้นอะไรที่มาคอบเขตตรงไหนมัอนกันเราดูเงี้ยดูเราชอบมันก็เป็นเพียงแค่ชอบของเราคิดเงี้ยแต่ถ้าบางทีมันมีไปเห็นตัวปัญหามันเข้ามาเงี้ยมันจะเข้ามาตรงไหนเรามันมีอะไรกับก็มันมีจึงมีคำว่าสัจสังคาลิกกับปัสสังขารีสัจสังคาลิกคือประกอบด้วยการชักจูง อสังขารีกไม่ประกอบด้วยการชักจูดหรือชักชวนเช่น<อ>จะทําบุญมีคนมาชวนไปทําไม่ได้เกิดขึ้นเองจะทําบุญมีคนมาชักชวนเป็นว่าเป็นสังขารีกจะทําบาปคือไม่ได้เกิดจากตัวเองนะแต่คนอื่นมาชวนไปทําบาปเขาเรียกว่าสังขาริกอักสังขารีกคือคิดขึ้นมาเองหรือว่าเกิดขึ้นมาเองภายในจิตอยากทำบุญไม่ต้องมีใครมารชวนคิออยากจะทําเองอันนี้คืออสังขาริกเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันจะเป็นองค์ประกอบที่จะดึงให้เขาไปเกิดตัญหาหรือไม่เกิดตัญหามันอยู่ที่ว่าสิ่งนั้นเป็นสสารขลิกหรืออสังขลิกสิ่งที่เห็นขนานดจิตนั้นมันก็แปลว่านะทำไมจิตบางครั้งก็เราไม่เห็นระบบการทำงานของเขาคือ บางทีบางครั้งก็เป็นสุนศน์บางทีก็เป็นอาขุสน์บางทีไอตัวอาุศน์บางทีก็เป็นตัวโลภะบางทีก็เป็นตัวโกรธโกรธบ้างไอเป็นตำหามั่งอะไรสารพัดกิเลสที่มันแล้วมันมันเป็นมันอะไรไปคนไปบอกว่าไอตัวนี้เข้ามานะนี่เป็นหน้าที่ของแกนนี่เป็หน้าที่ของแกหน้าอะไรอ่ะจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็อย่างที่บอกว่าจิตนมันมันมีทั้งสภาพที่เป็นประกอบบริเจตนาและที่ที่อยู่ในเจตนา เ ร, รเราสามารถรู้ได้แค่เฉพาะจิตที่เป็นเจตานานี้แต่เหนือเจตานาเนี่ยสามารถรู้ได้รู้แต่ว่าเราทำอะไรกับมันไม่ได้ถ้าเป็นเจตานาในเรื่องเราเปลี่ยนอารมณ์ได้สมมุติเรารู้ตัวว่าจิตเรากําลังจงใจด้วยเจตานาเจตานาต้องพูดเข้าะกระจงใจนะคือมีแรงจงใจในการคิดในเรื่องนี้คือเจตานานแต่บางเรื่องไม่เกิดจากแรงจงใจคือผุดเกิดขึ้นมาเองนอกเหนือจากเจตานา ไอ้เร cette, de qui, ื่องเนี้เราเรารู้ได้แต่ว่าเราเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ขณะที่จิตเรากำลังเจตนาคิดในเรื่องนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมันคิดเราเปลี่ยนได้เพราะมันอยู่ในเจตนาแต่การที่อยู่ในเจตนาเนี่ยเราเปลี่ยนมันไม่ได้ใช่มันปรากฏขึ้นมาต้องปล่อยมันตามตามตามมันใช่อะไรที่เราเราแก้ไขหรือเปลี่ยนมันไม่ได้ก็แค่รู้มันตามเป็นจริงแค่มันเกิดดับเองธรรมชาตใช่เกิดดับเกิดดับเกิดดับให้ทราบการเกิดการดับนั้น ถ้าเราเห็นมันเกิดมันดับบ่อยๆแล้วก็บอกจิตมันเรื่อยๆนะคะบีกหน่อยบิดมันก็จะมีกำลังของมันเองใช่จิกุศลต้องาลังกิเลสของมันเอัธรรมาติจะมีกำลังมากกว่ากุศลด้วยธรรมชาติที่าทำบานยอมชนจธรรมเป็นธรรมชาติของจิตอใช่กุศลมีกำลังมากกว่าอกุศล เขาบอกมีกําลังมากกว่ายังไงอธิบายยังไงเราจะมาบอกว่ากําลังมากกว่าเฉยๆพอเราได้ยินได้ฟังมาเราจะอธิบายยังไงว่ามีกําลังมากกว่าก็ทําเหมือนกัเนเกตนาคแบบเดียวกันแต่ทำไมกุศลมีมากกว่าไงี่ยจะได้มากกว่าเาทนี่ยแล้วทําไมเวลาคิดเราคิดถึงเรื่องกุศลได้มากกว่าเขาบอกว่ากุศลมีกําลังมากกว่าเขาทำไมอะอ่าฮ่าฮ่า รู้สึกว่าถ้าเป็นอกุศลอะดีไลน์ลเป็นอกุศลอะดากแนเอาดการมืองนเกี่ยวกับความรู้เราเกี่ยวกับความรู้ที่เราศึกษาที่แหละไปช่วยถ้าพูดถึงคำว่าลศรสงสถามว่าจิตจิตที่ก่อให้เกิดความหลงได้ง่ายคือจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลจะเกิดความหลงได้ง่าย กเพืามกุศลจะเกิดความรู้กุศลก็จะเกิดความรู้ได้ง่ายอกุศลก็จะเกิดความหลงได้ง่ายอันหลงได้ง่ายอันรู้ได้ง่ายใช่แต่ไม่ใช่ว่ากุศลจะไม่ก่อให้เกิดความหลงนะแต่ทีนี้ถามว่าทําไมกุศลถึงจะมีอนุภาพหรือว่ามีผลมากกว่าอักขุศลเพราะอะไรเพราะว่า เวลาจิตนึกถึงเรื่องอกุศลคราวใดจิตจะไม่ยินดีจิตจะปฏิเสธจิตจะไม่พอใจถูกต้องไหมมันรู้เหมือนกันว่าไม่ดีใช่แล้วมันจะทําการรังเกียจปฏิเสธไม่พอใจไม่ยินดีใช่มันอ่อนกํลาลังตรงนี้มันอ่อนกําลังลงตรงนี้ไงแต่พอคิดิดถึงคิดถึ ง, ถงอกุศลปั๊บมันจะป่าเพิ่มปีติยินดีพอใจมันจึงส่งผลให้จิตเพิ่มคูณตัวเองได้เรื่อยๆพอไปนึกถึงเรื่องอกุศล มันจะคล้ายๆกับว่าอยากจะสลัดออกไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีเนี่ยคือมันแสดงความไม่พอใจเรืองปฏิเสธอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างนี้มันก็สเหมอะสาหรับคนที่เรียนรู้แต่ถ้าคนโดยปรชนธรรมดาทั่วไปเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ใช่เลยเขาไม่รว่าไหนดีไม่ดีทีสร้างไปก็ไม่ทราบไงเขาก็ไม่ทราบเพราะนั่นแรงผูกุศลมันย่อมผุ้นิจจะบอกว่าสมารถถี่เบื้องต้นต้องแยกให้ออกก่อนว่าอะไรเป็นกุศลอะไรไม่ใช่กุศลถ้าไม่มีสมารถถี่เบื้องต้นแยกไม่ออกอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ย ที่่แะก็จะก็จะทําปฏิบัติต่อจิตสภาพจิตที่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องเรียนรู้ต้องมีสมาธิเป็นดับแรกเลยพู้องค์จึงบอกว่าเมื่อมีเมื่อมีการทําสิ่งที่มันไม่ดีผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเราทําลงไปผู้เจ้าบอกว่าแม้ได้ทําลงไปแล้วก็อย่ายินดีในสิ่งที่ทําลงไปในความไม่ดีนั้นใช่ไหมล่ะหรืออย่าพยายามทํำบ่อย ในสิ่งที่ไม่ดีนะั้นมันจะสามารถละได้โดยง่ายความดีเมื่อทำลงไปแล้วพึงระลึกถึงบ่อยๆและพึงยินดีในการที่จะทำอยู่เสมอคือปลาลบอยู่บ่อยๆมันก็จะลกสิ่งที่มันไม่ดีไนดะ้ความดีจึงนิบกำลังมากกว่าเพราะความไม่ดี คือเราก็รู้สึกไม่ดี ม, มันปฏิเสธ ด, ด้วยตราวัดอยู่นะ้แต่มันไม่ได้ดับไปเพราะการปฏิเสธนะไม่ได้ดับไปเพราะการปฏิเสธดับไปเพราะความรู้ความเข้าใจถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็มันก็ไม่รู้อีกมันก็ยึดปฏิเสธด้วยเป็นการยึดอย่างนึ่งแต่มันไม่นํามาซึ่งผลมากเพราะยังมันไม่ส่งผลกระทบมากเหมือนกับการยินดีเช่นคนทาบาปแล้วยินดีในบาปเนี่ยยินดีในการทําอยู่อย่างนั้น อันนั้นมันหนักมากเลยพี่เน่หนักมากไม่ยินดีในการทําบุญมันก็ไม่มีผลมากคือยินดีแต่นั่นปากหนักมากเลยจิตจะดิ่งความเห็นจะดิ่งลงไปในสิ่งที่การทานั่นมากเข้ามาเข้าหลายวันเข้าหลายวันเข้านานวันเข้าจนมันฝังแน่นอยู่ภายในไม่สามารถเปลี่ยนความเห็นได้คนหนึ่งเห็นว่าอ๋อชีพแต่ละคนไม่พอร้อยเพราะนั้นในช่วยกันอยู่ในกุฏิตักโก้ก้าวกให้เต็มที่เนาะ เร็วอะไรก็ทำหมดเลยแต่อีกคนหน่งเออชีวิตไม่พอร้อยเวลาเหลือน้อยก็มาอย่างนี้แหละเนาะก็รอดึงรอแต่เห็นคิดอะไไม่เหมือนกันอย่สามเงินแถมก็ต่างกันตรงนี้คนที่อยู่ในโลกก็จะมีสองประเภทนี้ เพราะสมาิกับวิชาที่กิอตามแต่ใจที่ตัวเองอยากทำอ่ะโอ้ยจะทำให้ให้ขอให้มีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายแล้วเนาะต้นขามันก็คือมนไม่ช่บาริงๆใ่ไม่เยอะนเทีามันคือไม่มีบาปไม่มีบุญสบันลกไม่จริงจีนใช่พวนี้จะมีทิฏฐิที่เรียกว่าศูนยวยบะคือศูนย์ป่าไม่มีคือความศูนย์ว่าท้าพี่เก่าพูดถึงความขาดิูนา์ทำไปเยบุญ ปาก็ถ้ามันไม่มีมีผลหอดทไปแล้วก็แล้วตายแล้วก็แล้วอดตายแล้วก็แล้วจบไปไกลในห้างนี้ในศูนย์เยานศุนย์เยาวาษฎองศูนยวาษฎอย่างเงี้ยเป็นวิชาที่ถี่อย่างหนึ่งพุทธเจ้าเรากล่าวว่าอย่างนั้นเป็นวิชาที่ถี่แต่ก็ไม่ได้ห้ามนะว่าใครจะมีความเห็นอย่างนั้นหรือมีความเห็นได้หรือไม่ได้มันมันมีอยู่แล้วแหละคนประเภทเนี้มันก็ต้องมี เยอะเลยเยอะขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรสองคนที่เจอเลยเมื่อหลังจากที่ตายไปแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่าขาสูหรือไม่ขาดซูเขาจะรู้เป็นตัวเขาเองจะบอกตอนนี้ยังไงก็ไม่ได้เพราะความเห็นมันดิ่งไปแล้วอย่างนั้นพระอาจารย์ถ้าความเหจะยกตัวอย่างันะที่หนังเดรายะคนที่เขาดูเรื่องบุกเกส์ฉันิวาสนะ จะเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่ทําลนะไม่เขาดูกันเยอะไงนั่นแหละไม่ใช่เาดูเขาดูไนี้มันเปรียบเทียบกันเลยนะคนที่ทาชั่วเนี่ยอายุมันจะสั้นนะถ้าทาความดียุ่นจะยาวนะอย่างนี้เองเนี่ยมันทำความชั่วเนี่ยมันเปรียบเยันไม่ใช่มาตรฐานเพราะชั่วคนชั่วอายุสั้นนยงกินเหล้าปสูบบุหรี่เยอะๆมันก็ป่วยมันก็ไปเร็วพูดในเชิงมาตรฐานมาตรฐาน ไม่บาคนมันกินกินเหล่าสูบบุหรี่อายุเ0็ดสปีร้อยปีก็ยังมีไม่คือกินเยอะไกินเยอะอันแล้วเพราะว่าาว่าเก่าที่เส้นเส้นางบุตเก่า่ดกเก่าคือถ้าจะพูดในเชิงมาจากแล้วต้องพูดในแง่ที่มันเสมอกันอย่าจะพูดในสิ่งที่มันได้ผลให้ผลต่างกันอย่างนั้นไม่ได้ พูดในเรื่องที่จะเป็นโทษนะะั่นแหละต้องพูดในแง่เสมอกันมันเสม อ, อยังไงเราจะบอกว่าคนมีคนทำดีมีบุญมากอายุจะไม่ยืนอายุยืนยาเงี <c oughs> ้ยบางคนนี่ทำดีตลอดชีวิตอายุ <c oughs> อายุสั้นกว่าีเยนบามีเหตุใจในงดีเยอะผัดใจนี่ายรู้ไหมคนดีผิลั แล้ตน้่สรวอะไรอยู่ย เ, ลลเลหน ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว่เาน ไ, ไสูไแต่ตสิ่ ง, <มา S 1> งที่ พ, พ่อคศาสนาสอนมาโดยตลอดอว่าหากอยากจะอายุยืนคนคนนั้นจะต้องอภิวาทนาศีลิสันนิจจังบุท ธ, ธาจายโน่รู้ไหมทำยังไงฮะไม่ท้าย่บอภิวาทนาศีลิสนิจจังยังไม่รู้อีกเหรอ บุคคลก็มีปกติการไห้ออนน้อนหอมตนอยู่เป็นนิดหอผู้เจริญอยู่เป็นนิดย่อมเจริญด้วยอายุอันนี้คือพุณศาสนาสอนว่าใครสามารถทําได้อยู่เป็นนิดไหว้พ่อไหว้แม่อยู่เป็นนิดไหว้ครูญาตายายผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดไหว้ครูอาจารย์อยู่เป็นนิดทําอยู่เป็นนิดอภิวาสอ่ะโดยเฉพาะลูกนะถ้าอยากอายุยืนยื้อนานไปได้ผู้ทีเจ้าสอนคุณศาสนาสอนและใครทําสามารถไหว้พ่อไหว้แม่อยู่เป็นนิด ยืนยันได้เลยทางพุทธศาสนายืนยันได้เลยว่าคนคนนี้จะไม่อายุสั้นเด็ดขาดยืนยันแม่ตายแล้วแม่ผัวจะได้ก็ไหวครูอาจารย์ไห่ผู บุญใหญตายายออมาไหมอาจารย์านสังเกตดวคนที่อารมณ์ร้อนเนี่ยร่างกายมจะสุดโสมเร็วแต่ถ้าคนที่เป็นคนใจเย็นอารมณ์เย็นไม่ค่อยโกรธไม่คยก็รู้สึกจะเหมืร่างกายันก็ไม่สุดสมยอันนี้มันก็บอกไม่ได้เสมอไ่ได้เสมอไปคนมันบางบือทีวันนี้สัยที่โกรธก็มี มเทวดาตัวหนึ่งนะถ้ามีคนไปพูดไปพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่โกรธที่ที่หยาดคำดาคำว่าเนี่ยกับเขาเนี่ยเขาจะยิ่งจะร่างกายยิ่งจะผ่องใสเพราะเขากินความโกรธเป็นอาหารอ่าเมนโอมันเลยทีนี่นะีมกเค่เมีโอมันมเยนกินความโกรธเป็นอาหาร เอาบางคนยิ่งโกลยิ่งผ่องไสแล้เลือกลมดิ่งซูชีนซูชีนเลือดลมซูชีนเขาจริงจริงองแต่เวลาตอนนั้นเวลาใครไปดาวโหยิ่งผ่องไสผ่องไสเขาก็แปลกนี่ไมเทวดาตัวนี้พูดคำยาพูดคาด่าทาไมผ่องใสเเลยด้วยเขาก็เลยสารเสริญกล่าวคำสรรเสริญท่านเป็นผู้ประเสริฐจริงหนาท่านเลือดจริงหนาะท่านดีจริงเนาะไ รศรีเริ่มกดอดอดรอเพราะไม่พอใจในคำสรรเสริญไม่ชอบไม่ชอบคำเย็นยอใช่ก็อย่างนี้ก็มีจะให้ว่าอย่างไรมันมันเป็นมันก็ยังไม่ใช่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้นิสัยแตเองนะใครที่เย็นยอที่มันเกินความจริงยอมกันไหม่ชอบแต่ดาก็ไม่ชอบนะไม่ใชดาเย็นยอก็ไม่ชอบมันเกินความจริงเราไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมาเย็นยอเราก็ไม่ชอบเหมือนกันอ่ะก็เหมือนกัน่ะอันนี้เรื่องปาตัวใหญ่ท่าแตพี่ด ก็พิจารณาเอาว่ามันมีเหตุดีอยู่<ม>ก็ยังไม่ใช่มาตรฐานเสมอไปว่าคนขี่โมโห อ, อารมณ์รุนแรงรเนี่ร่างกายสุดโสมก็ไม่ไม่นักเกี่ยวมันมีหลายเหตุสาเหตุใช่หลายสาเหตุมันไม่ใช่อ ย, าอย่า ง, างนงงั้นหลายองค์ประกอบจับงไปในเรื่หนึ่งไม่ได้ <c oughs> จำไม่เลยว่าไม่มีเหตุใดเหตุหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตของคนคนนั้นเป็นอย่างนั้น แต่มันเอาในละลายซากหินประกอบกันรวมกันเราทเราทำกันแต่ละคาไม่แน่นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสัจจ์ที่สุดก็คือบุคคลผู้มีปกติกาบไหว อ, อนน่อ น, อ, อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิจย่อมเจริญด้วยอายุแน่นอนออเป็นวิธีการสืบชะตาในทางพุทธศานสนาลูกกาบว้พ่อแม่เป็นวิธีการสืบชะตาในทางพุทธศาสนาะ ไม่ต้องไปทำพิธีกรรมที่เขาทากันพิธีสืบสานนะไม่ต้องนะนะการไหว้พ่อแม่อยู่เสมอเอาทำไมจะไม่รู้เคยบอกเคยสอนอยู่อะไรมาเรียนกันอยู่ตั้งนานเลี้ยงเลยแม่พ่อม่ไม่อยู่ไม่มีแม่ข้างในไม่อยู่ทำแม่หัวแท มีาอายุว่าพระอาจารย์คะอ่โยมไม่มีพ่อแม่แล้วมาทำ บ, บุญแล้วอุทิศบุญได้เป็นการบูชาท่านบูชาคุณแต่ไม่ได้ทอายุยืนใช่ไหม<ะ>ไม่ไ้ทอายุยืน <laughs> ก็ไหว้ไหว้พูดเข้าถึงความเจริญมุทภาพชายิโนอ่อนน้อมต่อผู้ถึงความเจริญเจริญด้วยไว้เจริญด้วยคุณคือใคร วัยก็ครูญาตาิยายแม้แต่พี่ก็ผู้สูงวัยอายุมากกว่าเราแล้วก็วัยวัยวุฒิคุณวุฒิคือผู้พี่มีคุณอันควรค่าแก่การเคารพกราบไหว่มีคุณค่าที่เราจะสามารถเคารพกราบไหว้ได้คือไทยครูค อ, อาจารย์ก็ทําให้ถึงความเจริญเป็นนี้ไม่ใช่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก้าววัดว่าจะเข้าถึงความเจริญ ด, ด้วยอายุนั้น เอาเล็กดาเอาเล็กดาอันนั้นถือขังถือถือเพื่อถือขังถือเลิกไม่ไม่ได้การไหว้ออกจากความอ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆมันต้องเป็นการแสดงเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนแม้แต่เขาอายุมากกว่าไหว้กันหรือพวกเราเนี่ยไปทํางานก็ลูกน้องก็ยกมือไหว้เด็กอายุน้อยกว่ายกมือไหว้สวัสดีมาหากันอย่างนี้ก็สวัสดีใช่ไหม ก็ก็นี่คือการอ่อนน้อมถ่อมตนเราพฤ่งตัวเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิด <c oughs> ไม่ใช่เห็นหน้ากันยกมือไหวแต่ในใจคิดว่ากูไอยากจะเจอมึงเล ย, เย <c oughs> แต่ก็สวัสดีสวัสดีกันอยู่นะนๆสวัสดีนะสวัสดีอ <c oughs> แต่ในใจคิดอีกแบบเหมือนกันอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ภายนอกนะ เข้ามาจากใจยุกอลแม่นนดดียากับด้วยการปลูกความคับบากแต่กับด้วยการออดน้อมถ่อมตนด้วยจากใจจำไม่ิกี่เป็นนิสัย้น่แน่จ้ะใช่ทำให้ปลูกเป็นนิสัยเป็นตอัยักเอาเอาตามาก็มีครูบาอาจารย์ที่าจาจะต้องไปทําการเคารพสักการะกลบาวให้ออดน้อม ก็ถึงมีวันไหวครูบาอาจารย์ใช่วันไหวครูวันศัการะครูอาจารย์วันบูรชากูเนกันน้องใช่นะวันพ่อวันแม่วันที่มีความทํากันมันคือการแสดงออกทักความแต่้ยาบอกทําเป็นนิดนิดไม่ใช่ปีเือปีละครเป็นนิด ทำเป็นนิดไหมเป็นนิดเท่าไรปีละครับเป็นนิดเลยทำทุกปีทำทปีไงเป็นนิดก็คือบอยเท่าไหร่ได้ได้เท่าไหร่ได้ยิ่งดีอ่ะบอยที่สุดอ่ะเป็นนิดเราไม่ไปละแต่ใจเราคิดถึงแล้วก็แลลึกถึงเป็นความเงเรานี้ที่ถือว่าเป็นการได้ลึกถึงพันละกาลงได้เป็นนิดเป็นประจำไม่ใช่ว่าจะต้องไป หรือว่าไปหาก็ควรจะไปด้วยควรจะไปควรเป็นที่มีความสาคัญและมีความจาเป็นด้วยที่ควรจะไปจากที่พ่อแม่ตายแล้วคนเาจะเอากระดูกไปเก็บไว้วมงนเชคชาวจีนเาก็จะไหว้บรรพบุรุษอย่างเงี้ยใช่หถูกีบาตะลุยอันนั้นหากไหว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะได้แต่ไปไหว้ตอนตายแล้ว พระเจ้าไม่ได้บอกว่าจะเกิดการอนุโยผล uh huh. เพราะผู้ตายแล้วไม่ได้เป็นวุต ธ, ธาประจา ย, ยิ่งนองตายแล้วคือครประดุนดังท่อนไม้ท่อนฟืน uh huh. กายนี้นะปัสจากวิญญาแล้วก็ประดุนดังท่อนไม้ท่อนฟืนนิรัตทั้งบักะลิงพลัง uh huh. ไม่ได้มีประโยชน์ uh huh. คำว่าไม่ได้มีประโยชน์นั้นหมายถึงว่าจะไปทําอะไรในในซากศพหรือกระดูกนั้นให้เกิดประโยชน์ไปมากกว่านี้มันไม่ได้แล้ว uh huh. คื อ, คอจะทำบุญท่านกับท่านดีแค่ไหนก็ตามที่ท่านตายแล้วนะจะทํา แบบไหนก็ตา ม, อมเอาของเส้นไว้เต้ไปหมดผู้เยาบอกว่านีรัะฆังวัตรลิงพลังไม่มีประโยชน์กับท่อนไม้ท่อนฟืนนะเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนแต่ชาวจีนที่ทำการทำไงก็ก็ทำต่อไปก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นกระดูกปุบ ก, กระ ล, ะลึกถึงคุณ อ, อุปการะคุณอาจจะเป็นได้ส่วนนั้นอยู่ได้ส่วนนั้นอยู่แต่ในส่วนที่จะได้ต่อทำต่อศพน่ะไม่ได้ แต่าจจะได้ไมีส่วนระลึกถึงผู้มีอุป ก, การะคุณที่ล่วงไปและกลา่าบว่าก็ได้แต่ได้ไม่มากเหมือนกับน้อมมาลึกถึงเลยไม่ต้องไปผ่านศพข้าศพ บ, บอกผู้ทีเ่เราบอกวไว้ชัดเจนแล้วว่าไม่เกิดประโยชน์นี่ล่ะทั้งกากลิงข้าหนมันไม่ได้เกิดประโยชน์ใต่อไปใช่ก็เหมืนอนกับถอนไม้ถอนฟืนคือหลักคําสอนกล่าวสอนไว้อย่างนี้ แต่ละปฏิบัติจะปฏิบัติยังไงก็เื่อขึ้นอยู่กับชาวจีนแล้วเนี่ยไหนชาวจีนจีนาเยชาวจีนนี่ไหว้ทุกปีไม่ได้เยป็นแจ็ลูกหมดลแจ็ลูกแจลูกเป็นลูกเันแจ้คลูกเนแจลกแจ็ลูกหมดละอันนี้ไม่ลูกแล้วนะ แต่แล้วนี่ก็องเขาก็สอนทีนประโยชน์นะให้ได้ประโยชน์แค่ไหนแล้วแต่ไม่มากก็ น, น้อยตามถิ่นากที่แต่ลถิ่นของแต่ละาแต่มันก็ได้ผล น, น, น้ำลนแหละ ง, งหมดเรื่องที่จะเทศแล้วนะมีอะไรไนหะ <c oughs> มวันนี้หมดเร็วคอหมดเยลยพาร์ทศก็ไม่รู้จะเทศอะไรเหมือนกันจะพูดอะไรทาเออที่การก็ได้ยินคำว่า ไอ้เรื่องเกิดดับเนี่ยเนาะเพราะว่าคนเราธรรมดาเนี่ยจะรู้ได้กับเกิดดับเท่านั้นมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ร่วมมันตั้งอยู่เนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนาะคำนี้ที่อาจารย์เคยได้ยินที่อาจารย์ว่าจริงไหมว่ามีพระพุทเจ้าตรองค์เดียวที่เห็นความตั้งอยู่ของมันไงในสรรพสรรพสิ่งทั้งหลายเนาะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ ช่วนาดนีแล้วขนาดไหนบอกว่าเราคนธรรมดาไม่สามารถจะเห็นได้หรือ่ามันแค่การตรงนี้เละเอียดมากไม่ไม่ไม่ถูกต้องมันจะละเอียดยังไงก็ตามคือปัญญาอันรู้ชัดจะต้องเกิดยาเป็นเครื่องเป็นเครื่องรู้มีอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะเกิดปัญญาได้ต้องทําวิปัสสนาคนคนจะต้องอบรมวิปัสสนาให้มากเพือจะไปเห็น สาวกก็สามารถเห็นได้ใช่เคำว่าตั้งถ้าถ้ามันไม่ปรากฏขึ้นมาให้ทราบแล้วมันจะรู้มันถ้าไม่มีคำว่าตั้งอยู่มันจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ปรากฏนั่นคืออะไรได้ไหมล่ะมันมีการตัแม้จะตั้งอยู่แม้เดี๋ยวมันก็ก็รู้ว่าตั้งอยู่แต่ั้นไม่เห็นเราเห็นแค่เกิดดักเกิดดักเนี่ยคำตั้งอยู่เราไม่เ็วิปัสสนาอย่างไม่แก๋าเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีปัญญารู้ชัด ในสิ่งที่เกิดตั้งอยู่ระดับการที่เราจะมีปัญญารู้ชักอย่างนั้นได้วิปัสสนาก็แก่กล้าอันนี้ต้องเป็นสาระทำไหมเป็นยาถ้าไม่เจริลยวิปัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงป้าแม่ไม่ใช่ฮะเป็นสาระน้องไม่จําเป็นไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นมันขึ้นอยู่กับวิปัสสนาญาณของคนนั้นแก่กล้าเาใช่แล้วเขาก็เห็นวิปัสสนาญาณเป็นตัวอํานวยผลให้เห็นนะถ้าไม่มีวิปัสสนาญาณก็ไม่เห็นแต่ไม่ใช่สาระ ตรงคันที่ต้องผ่านไปเห็นก็ยังไม่ได้เพราะยังเป็นอยากให้สรุปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราสึกอย <c oughs> ู่เพราะนั้นขณะที่ปฏิบัติจะไม่เจริญวิปัสสนาไม่ได้ต้องอบรมวิปัสสนาในจิตด้วยทีนี้เขาบอกอบรมวิปัสสนาทํายังไงเพื่อเข้าสู่ฐานกายอยีกแหละใช่ากายานุ ป, ปสาาัสสนาวิปสาาัสสนากายคือเห็นกายดับไป ในชีวิตที่ลวงไ ป, ไปดับไปดับไปดับไปมันดับไปยังไงตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงทุกวันนี้ชีวิตดับไปยังไ ง, งมันหมดไปยังไงมันสิ้นไปยังไงเห็นความเสื่อมความสิ้นของร่างกายอยู่ตลอดเวลาคืออบรมใจให้ได้เห็นเห็นกายที่มันเกิดแล้วดับแล้วก็เสือส่อมสิ้นอยู่เงี้อยู่เรื่อยๆรยเห็นในอดีตที่ผ่านมาก่อนเพราะอดีตเราจะสามารถเห็นได้การฝึกเห็นอยู่อย่างเงี้ยจะเป็นการอบรมจิตให้เกิดพิปัสนาจนสามารถสามารถ เขาเรียกว่าจิตมันรู้เห็นในขณาดปัจจุบันว่าขณาดปัจจุบันก็เป็นขณาดที่กําลังล่วงไปดับไปล่วงไปดับไปล่วงไปดับไปล่วงไปดับไปหมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปอยู่ดูทุกขนาดอันนั้นมีปรัชนาญาเลิ่มแก่ก้าจนลึกเข้าไปเห็นจิตอยู่นี่เห็นจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงกายก็เกิดดับจิตก็เกิดดับความแตกต่างของกายกับจิตแตกต่างได้ไหม มันก็เกิดดับเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันก็เพียงแค่เกิดและดับทำหน้าที่เกิดและกระดับทำหน้าที่เกิดและกระดับแต่มันจะส่งผลหลังจากที่ดับลงไปเนี่ยจะส่งผลอะไรตามมานั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตัวของมันเน่ยเกิดระดับเกิดระดับแน่นอนกายของเราเองก็ตามจะทําอะไรลงไปก็ตามแล้วจะส่งผลตามมานั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตัวกายเกิดระดับเสมอก็ก็เหมือนกันสุดท้ายแล้ว เราจะต้องประมวลผลของการรู้การเกิดการดับอะไเนี้ยมาอธิบายในด้านของอริยสัจและขันว่าหนึ่งอารมณ์ที่เกิดกับจิตและกระดับลงไปแต่ละขั้นมันอยู่ขันไหนอพอการจับลงขันขันนี้เป็นทุกขสัจจ์สามมาทิฏฐิบ อ, บอกว่าต้องรู้ทุกขสัจจ์ในพ้อแรกนะต้องรู้ทุกขสัจจ์ก็ น, นั่นหมายถึงมากอารมณ์หนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นมาอนะ่ะมันเป็นขันไหนเพราะขันคือทุกขสัจจ์เป็นความจริงที่ ตัวขันเนี่ยเป็นที่แสดงออกของความทุกข์หรือความทุกข์แสดงตัวผ่านขันเท่านั้นไม่แสดงตัวตัวอื่นถ้าขณะแห่งอารมณ์หนึ่งที่เกิดปั๊บเราทราบปัเป็นขันไหนปั๊บเราก็รู้ว่านี่คือขันเกิดขึ้นการรู้ว่านี่คือขันเกิดขึ้นขันห้าขันใดขันหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นก็คือเห็นทุกข์เกิดขึ้นนี่คือขันตั้งอยู่ก็คือเห็นทุกข์ตั้งอยู่นี่คขันดับทุกขเห็นทุกข์ดับน่าคือสามารถรูแต่แต่เห็นได้ยากนะว่า อันนีจ้จำทุกขเวทานาอะไรที่เห็นเรื่องนีที่สุดอันแรกทุกขเวทนาทุกขเวทนาจะเกิดบ่อยกับกายของเรากับตัวของเราทุกขเวทนาเป็นเวทนาขันกายซึ่งได้รับผลกระทบจากทุกขเวทนาก็เป็นกายทกับเวทนาเวทนาทางกายเพราะเวทนาจะมีสองคือ กายิ่งกวทนากับเวทนาทางกายกับเวน<จ>ทา <c oughs> เนาทางใจเกิสิบเวทนาเวทนาทางใจทีนี้ไอตัวเวทนาทางกายเนี่ยมันเป็นชั้นอยากส่วนเวทนาทางใจเป็นชั้นละเอียดตัวเวทนาทางกายก็คืออาศัยเวทนาทางใจเกิด จึงส่งผลกระทบมาที่กายเสมอพอเวทนาเป็นนามธรรมนะประกอบจิตเท่านั้นไม่ได้ประกอบกายเอาแล้วทำไมในกายมีมีเวทนาเวทนาเกิดขึ้นในกายแต่บอกไม่ประกอบกายในความหมายคือว่าเวทนามันอาศัยจิตรับกระทบก่อนนั่นหมายถึงว่าถ้าไม่มีจิตในกายนี้อะไรมากระทบกายเนี่ย มันจะมีเวทนาได้ไหมได้ไม่รู้ถ้า ก, กระทบปุ๊บเช่นถูกตีพิะมาทีหนึ่งเนี่ยต้องประกอบจิตก่อนแล้วส่งผลกระทบกาย <c oughs> ทันทีมันเกิดเร็วมากเพราะระบบของน้ำมาขัน เ, นเร็วมากแล้วถ้าัเจ็บปวดที่จิตแต่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับกายมีไหมเจ็บที่จิตไม่เกี่ยวข้องกับกายก็มีแต่ยังไงก็ต้องส่งผลที่กาย สุดท้ายก<ล>็ต้องส่งผลคนที่เจ็บปวดภายในจิตมากก็จะกระสับกระสายภายในจิตกายก็กระสับกระสายด้วยกินไม่ได้นพราะไม่หลับอีกก็มีส่งผลอยู่ส่งผลเลย ส, <c oughs> ส่งผลแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่ประกอบ เ, เวทนาเป็นตัวประกอบกับจิตเมื่อเวทนากระทบปั๊บไม่ว่าเราจะพิจรารณาเวทนาในด้านกายหรือด้านจิตก็ล้วนแล้วแต่ รู้เวทนาตามความเป็นจริงของมันไงบ้างเวทนาเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยขณะที่เวทนาเกิดขึ้นกายกระสับกระสายไหมกายได้รับการบีบขั้นไหมไม่ไม่กายก็ถ้าไม่กายไม่ไม่กระสับกระสายก็แสดงว่ามีสติอยู่ในกายเหลือแต่จิตกระสับกระสายจิตกระสับกระสายพระมีจิตกระสับกระสายปั๊บเราก็ไปดูที่จิตว่าจิตกำลังกระสับกระสายมาก็เข้าไปดูในจิตทีนี้ว่า จิตที่เกิดมารับอารมณ์แห็นความกระสับกระส่ายนี่รับอารมณ์นี้และเสวยผลอารมณ์นี้นานแค่ไหนดูต่อไปว่านี่คือจิตกําลังสเสวยเวทนาแทนริงจิตไม่ได้สเสวยหรอกแต่เวทนานัีนแหละเสวยอารอมณ์เพืาอมันเองจิตเป็นเพียงแค่โน้มตามอารมณ์เอ็ตามอารมณ์โอนตาม อ, มอารมณ์มันก็เลยกลายเป็นผู้สเสวยไปแต่ถ้าเราเห็นตามหลักเห็งความจริงแล้วว่าจิตเป็นผู้โอนตามอารมณ์เอ็ตามอารมณ์โน้มตามอารมณ์เท่านั้น หมายถึงว่าเอาลบขนาดนั้นเป็นทุกขเวทนาจิตก็โอนตามเห็นตามโน้มตามว่าทุกก็คือมีความดิ้นรนกระบนกระบายกับความทุกข์ที่เกิ <c oughs> okay. ดทีนี้ <c oughs> เมื่อมันดิ้นรนกระบนกระวายตา ม, าม ก, ก็เกือบปุ๊บสติเข้าไปเห็นจิตว่าจิตกําลังดิดน้นรนอา้าวกายไม่กระสับกระสายแล้วทั้งๆ ท, ที่ทุกขเวทนายังมีอยู่ภายในนะแต่จิตดิ้นรนเพราะก็ เข้าไปทักจิตนี่คือความดิ้นรนของกิตความดิ้นรนกับสังกษัยของกิตเนี่ยดิ้นรนเพราะเวทนาขันเกิดขึ้นเวทนาขันมีอยู่เมื่อเวทนาขันมันไม่มีมันก็มันจะหยุดการดินน้นรนแต่เมื่อเวทนาขันมีอยู่มันก็ต้องดินน้นรนการที่เวทนาขันคือทุกเวทนามีอยู่และกิตดิ้นรนเป็นเรื่องปกติมไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเรามองถ้าโดยธรรมชาติอยู่เฉยๆนี่จิตมันทําไอเบรทานามาทํางานไหมเบรทนามาทํางานตลอดเวลาสุขเวรทนาทุกข์เวทนาไม่สุกไม่ทุกขมันสุกทุกข์เน่ยเฉยสุกทุกขแล้วก็เฉยแล้วก็มีเฉยอยูตรงกลางแล้วก็สุกทุกขเฉยสุขทุกขเฉยเนีมันจะสับเปลียนกันอย่างนี้ตลอดใช่มีอยู่ตลอดสลับไปตลอดจไม่มีอาการกิรเลสใดเลยที่ปัจะปัะจากเวรทนา เพวัะนั้นเมื่อทุกเวทนาเกิดแล้วจิตดิ้นรนเขาเรียกว่าเป็นภูกไปด้วยเพราะว่ามันมีการเสยืวยหรือว่าน้อมตามแล้วเป็นภูกไปด้วยแต่ถ้าจิตเราไม่น้อมตามเวทนาก็เป็นเพียงแค่เวทนาจิตก็จะเป็นจิตไม่ดิ้นรดถ้าจิตไม่โอนตามจิตที่ไม่โอนตามคือจิตที่มีความมั่นคงในสมถะมีสมถะดีได้ออระบบลมมาดีหรือเช่น อาศัยคุณธรรมความอดทนเข้าไปรองรับจิตหรือไปสร้างคุณสมบัติให้กับจิตให้อดทนปับ๊บเวทนาก็เป็นเวทนาไปจิตก็จะตั้งมั่นไม่โอนตามไม่เอ็นตามไม่ค้อยตามหรือว่าไม่แสดงอาการดิน้นรนหรือเดือดร้อนจิตที่ไม่ดิน้นรนไม่ดีเดือดร้อนก็เป็นส่วนของภาวะของจิตที่ไม่เสลย อ, อารมณ์แต่ถ้ามีการเสอเอลิมอารมณ์ก็ต้องดิน้นรนเดือดร้อนตามภาวะปกติฉะนั้นแล้ว เวทนาที่เกิดกับจิตนั้นไม่ผิดจิตที่ดิ้นรนตามอาการเวทนาก็ไม่ผิดเพราะมันเสวยแต่ถ้าจิตดวงที่มีสมถะอบรมจิตหรือตั้งมั่นไม่ดิ้นรนมันก็จะไปเห็นนี่คืออานิสงส์ของสมถะก็ไปเห็นอาการของเวทนาถามว่าคนที่มีจิตตั้งมั่นแล้วเห็นอาการของเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิต กับบุคคลที่จิตดิ้นรนไปตามอาการในธนาแล้วก็เดือดร้อนไปจนกว่าเวหาจะดับมันถึงยุติความเดือดร้อนในจิตมันก็เห็นการเกิดดับเหมือนกันกับจิตที่ไม่ค้อยตามและเห็นการเกิดดับต่างกันต่างกันยังไงสองภาวะของจิตเนี่ยเช่นคนที่ไม่เคยฝึกสมถธิมาเวลาผูกบีพันทางจิตก็เป็นทกไปตามนั้นพอพุกหมดจิตก็จึงหมดความเดือดร้อนไปด้วย แล้วคอยมาเห็นอาการดับไปของเวทนานะกับบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นคงที่อารมณ์แห่งเวทนาทุกขเวทนามาบีบและแต่ว่าจิตไม่ได้หลน่นตั้งมั่นอยู่เวทนาก็เกิดไปตามภาวะของมันจนกว่าจะบทเห็นแล้วก็ดับตัวของมันกร น, นีแรกนี่มันเก็บไปแล้วครัะะบญญะนะคืยาต่างกันนะความรู้ต่างกันมันเจ็บ ข้อมูลไปล้มันเกิดพบเกิดชาติไปแล้วว่าค่ะอันแรกนี่นะออ ร, รู้รู้ได้ยังไงว่าเกิดพบเกิดชาติก็มันเข้าไปสเสมอคนคนคนั้นอะสมาถ่ายไม่เคยตั้งมั่นหรืไม่เคยฝึกมันก็ต้องเป็นไปตามอารมณ์นั่นก่อนแต่ก็รู้รู้รู้ด้วยสัญชาตญาณรู้รับรู้อยู่ว่าจิตเรากาลังดิ้นรนเดือดร้อ น, ลนลอยู่กับเรื่องเราแบบนี้มันเข้าไปเป็นเข้าไปสมัยอารมณ์แล้วอ่ะการเข้าไปสมัยอารมณ์ไม่ได้หมายถึงว่า อาจจะเกิดจากความหลงในขณะแห่งที่เราไม่รู้เท่าทันจิตก่อนในขณะแรกแต่ขณะต่อมารู้สึกตัวอยู่ว่าจิตเรากาลังดิ้นรนเดือดร้อนเพราะอาการของเวธนามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยประกอบกับจิตอย่างเนี้ยอันแรกมันเกิดจากการเสเวยอารมณ์เป็นจากความหลงก็จริง แต่สุดท้ายก็คือเห็นการดับของอารมณ์คือมีสติมาในภายหลังแล้วมาตั้งสติรับรู้แล้วเห็นการดับกับอีกบุคคลหนึ่งทุตั้งสติรับทราบและเห็นอารมณ์มากระทบแล้วไม่กระเทือนเลยไม่ค้อยตามเลยพยายามควารู้จะต่างกันนะพยายามควรู้จะต่างกันใช่ไหมต่างกันแล้วก็เข้าไปตามที่ปรัชนาอะไรบางคนก็จะพยายามไม่รู้อะไรไงตัวไป็นถอนมาแล้วไม่นานมันตายที่มันเกิดแต่ถ้าถ้าแยกกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่รู้อะไรนี่ผมไม่ไม่ทราบอาจารย์มุ่งหมายอะไรหรอ แต่ว่าถ้าถ้าเรานั่นหมายถึงว่าคนที่ทําสมาธิโดยไฟเดียวถ้าไม่มีปัสนาในการเห็นครับก็จะไม่เกิดการตัสรู้ดสู้คนที่ไม่ได้ทําสมาธิมาแล้วแล้วจิตรับรู้อยู่จิตผิด่ิ่งลนไปตามอาการของเวทนาแล้วมาตั้งสติรู้ในภายหลังรจะในธรรมชาติอาจารย์แล้วก็เห็นการดับปัญญายาจะเกิดการอันนี้จะเกิดการตัสรู้ได้ดีขึ้นใช่ปัญญายาจะเกิดการแก้เนี้ยเมื่อตอนนิยม กวท้องแตกท้องแล้วมืรอก็ักระสับกระส่ายแล้วมันต้องแบบเอ๊หมกมิจเพียรที่ตกกลางวันเช้นั่นคือผลที่ตามมาจากการที่มันเสมบยผลแล้วเพียดทิตกกังวลนคุ้นคิดและก็หาทางออกอย่างเงี้ยอยากจะให้มันดับมันก็ไม่ดับตามกวามต้องการแต่เดี๋ยวนี้คือยังไม่จะเห็นมันเลดขึ้นแต่ว่าสิงมีนเป็นการสี่ ได้ไปตามความาแต่ oui. ว่าโดเหแต่ว่าโดยวทาเท่นอ๋ออันนี <c oughs> <c oughs> ้เราฝึกมาแล้วมันมันมันต่างจากคนที่ยังไม่ได้ฝึกอัน wow. นี้พูดถึงในแง่ของคนที่ใช่ไม่ได้ฝึกสมถธไม่ได้ฝึกให้จิตตั้งมั่นอย่างนี้จะเข้ารู้โดยธรรมชาติของเพราะงั้นบุคคลผู้ฝึกสมาธิจึงต้องประกอบด้วยวิปัสสนาเสมอหรือต้องเข้าไปวิปัสสนาเวทนาเวทนาทุกเข้าเวทนาแม้ มันเกิดขึ้นมาแล้วปั๊บจิตเราเห็นการดับไปปั๊บเมื่อวิปัสนาในเวทนาก็จะเห็นการเกิดขึ้นของทุกขเวทนาจะเข้าไปทักแนี้ว่านี้คือทุกขเวทนาทุกเวทนากําลังเกิดขึ้นทุกเวทนากำลังตั้งอยู่จนเห็นเวทนานั้นดับก็เข้าไปรู้ว่านี่คือทุกขเวทนาดับไปการที่รู้ได้อย่างนี้ก็คือรู้ทุกลักษณะลักษณะของความไม่คงคุถาวร ทุกขเวทนานี้จะมีสภาพของการเสวยอ า, ารมณ์พวกลักษณะนี้จะเป็นลักษณะของเวทนาที่มันหาความตรงที่ไม่ได้จัดอยู่ในตรรัตต์ทุกขัสัจจก์ก็คือขันจะต้องได้รับผลกระทบเมื่อทุกขเวทนาเกิดเป็นความจริงที่ทุกเวทนาเกิดแล้วขันต้องได้รับการกระทบเข้าใจไหม <c oughs> ถ้ามันไม่กระทบไม่รับรู้ก็ไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างน้อยก็กระทบไปที่เวทนาค่ะ น, นี่มีคนบอกว่าที่เราเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเนี่ยตอนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวเวทนาเขาบอกเราไม่เราไม่เห็นตัวเวทนาเราเห็นแค่อารมณ์ของเวทนามีคนเข้ว่าอย่างนี้แล้วมันมันก็ถูกก็เวทนาก็เป็นอารมณ์อันหนึ่ง มันเป็นโทของเวทนาไ ม, ไม่ใช่ตัวเวทนาเวทนาเราไม่เห็นหรอกเราต้องไปดูคําศัพท์คําว่าเวทนาเราอย่าไปไปวิเคราะห์หนีออกไปไปมากกว่านี้ไปดูศัพท์คําว่าเวทนาทำไมถึงได้ชื่อว่าเวทนาเพราะมีการสวยอารมณ์จึงได้ชื่อว่าเวทนาถ้าไม่สำวยอารมณ์มก็ไม่ใช่เวทนาเวทนาคือธรรมาชาติที่สวยอารม์ใชก คือสภาพอันทนได้ยากใช่ไหมันทนได้อยู่นะธรรมญามันทนได้ยากเออนั่นถึงจะนรรมยากก็ชัดเจนไงทุกทุกกระเวทนาเนาะมันไปวิ่งเกาะสับสนกันเยอะเถ้าถ้าบอกว่าเวทนาเป็นสภาพที่สวยอารมณ์ถามว่าเวลาสุกระเวทนาเกิดขึ้นแล้วคำว่าทุกข์ขัดจังเนี่ยทนได้ยากเนี่ยเอาเวลาสุเกิดขึ้นเนี่ยมันทนได้ยากไ้ยทุกข์ขั์สุเวลาสุขเวทนาเกิดขึ้น ตัวที่แสดงออกมาเป็นลักษณะของการผู้กษัตริย์จัไม่ไม่เขาเขาเขาพูดถึงทุกอย่างเดียวไงเขามาทุกอย่างเดียวนะมันเขาเอาทุกนั้นมันรวมถึงใช่ใรูปเวทนาสัญญาขันขันมีอย่างแล้วเวทนามีสาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งไม่สุขไม่ทุกข์เพราะเขาว่าทุ้กษัตริย์จักจัดจัดลงในขันผู้ขันเพราะขันทุกขันจัดเป็นทุ้กษัตริย์จักฉะนั้นแล้วแล้ถ้าเราพูดถึงเวทนาก็ต้องพูดถึงทั้งสุขว่าเอาเวลาทุกเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีลักษณะเป็งความ คนได้ยากจึงเป็นความพุ่อย่างนั้นอะไม่ใช่เพราะสุกเกิดขึ้นอะมันจะเป็นต้องทนไหมเขาบอกมันทนมันทนได้ยามันทนแต่ถ้เป็นนธจันท์มันเป็นอนิจจังมันรเบีมันทนได้ง่ายมันก็ดับสุกมันก็ดับไม่อันดับเนี่ยอันดับมันเป็นลักษณะของไตรลักษณ์เออนั่นแหะมันเข้าไตรลักษณ์ยังไงมันเข้าไจรัแต่อันที่เป็นทุกขสัจจ์ อันนี้พยายามจะที่บายเรื่องของทุกขเวทนาทุกขสัจจ์แล้วก็ทุกในใตรักถ้าอาจารย์มองมุมนั้นเนี่ยคือครัว่าทุกคือราพ่มันนได้ยากคือมันไม่สามารถจะคนได้นานด้านอันหนึ่งกกับกับคนที่มองเรื่องถ้าถ้าอย่างนั้นทุกอันนั้นคือทุกในใตรักถ้าจะพูดนีเป็นตัวเมียครับใช่ไหมครับมันไม่แต่เรากำลังจะพูดถึงทุกขเวทนาทุกขสัจจ์ ทุกใดใดลัดหนับเป็นเครื่องบงบอกของอาการที่มันแสดงลักษณะสามอยู่แล้วของสังขารถามากในขณะที่เวลาสุขเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมองเห็นความสุขว่าเป็นทุกข์สัจจ์ได้ยังไงเพราะคำว่าทุกเนี่ยเราจะรอร อ, อมีอาการของความทุกเกิดขึ้นก่อนเราถึงจะรู้สึกว่ามัน ม, ม, มีมีทุกอยู่ภายในตัวเราสุกมันก็สุกไม่ได้นานในะครับแต่วทุกมันน้อย ทุกมันมีไม่มากพอมันไม่สามารถตอบนองได้เอนพี่กจะว่าสุขไม่มีในโลกปไมเออที่น้อาเว่าทุกร้อย่เอเออ้อยจริงๆันต้องกลับไปย้อนฟังเรื่องที่อาตมาเคยคุยหรือเคยอธิบายกับคนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความทุกข์เลยในชีวิต ไม่เห็นจะต้องกำหนดรูปอะไรมันไม่มีทุกในชีวิตอ่ะทาไงมก็มีมันมีคามันมีคนมันมีรูปมีไหมมันมีมีมีมีแค่นิดเดียวๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้เป็นปัญหาทั้งกับชีวิตเขาก็สบายทุกอย่างก็สบายมเคยมีปัญหาก็ไม่พัสุดพิจรณาเข้าไปเศรษฐีเขาสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแหละพี่แคุทำพิารณาทุกคนแยกกัน่ำธนาหารเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้เรียนเขดไม่รู้ จำได้มาเจอพระอาจารย์หน่อยพระอาจารย์ถามว่ามีความทุกข์ไหมเราเรียกใจมีเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพอเรเรียนธรรมะก็รู้ว่ะมันทุกข์แท้ๆเขาบรรทุกขัสัจจานั่นนะแม้แต่ความสุขที่เกิดขึ้นก็จัดเป็นทุกขัจจ์เป็นความจริงที่ต้องทุกข์มันมันค้านอ่ะมันค้านกับอะไรเป็นความจริงที่ต้องทุกข์อ่ะมันสุขอ่ะค้านกับความรู้สึกเขาไม่ได้เรีรู้มาก่อน ไม่สูขอย่ังไไม่สงยังไงก็เป็นพนามมันสมันเกิดขึ้นอยู่อคือทุกงสุบเอ็ดข้อที่อาจารย์ว่าพอเราเกิดน่าจกพูดเอะแหละเนี่ยแหะมันเป็นเครื่องวัดสติปัญญาของคนแมว่าคนเราจะมีความสูงแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสุขจากการทำสมาธิภาวนาสุขจากเรื่องใดใดก็ตามที่เอามาปรุงแต่งภายในนั้นล้วนแล้วแต่ เป็นเรื่องของการปิดบังทุกแพ้ไว้ใช่ไหมปิดบังทุกแพ้ที่มันจะปรากฏแ่ทททีุุุกกขบบงสเแต่มันไม่ได้หมายความว่าการเห็นทุกไม่ใช่ไปเห็นสภาพที่เป็นทุกแล้วหรือว่ามีความทุกเกิดในชีวิตแล้วถึงจะเป็นผู้เห็นทุกอย่างนั้นไม่ใช่ ขณะแห่งความสุขเกิดขึ้นก็ต้องรู้จักว่าที่สุขอยู่ได้ในวันนี้ก็เพราะว่ามันมีความทุกข์อยู่นั่นเองคนที่มีความคนที่หมดจากความทุกข์แล้วไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยเขายังต้องการความสุขไห ม, ไ ม, ไมต้องการใช่เพิ่มอย่างละทุกข์ไม่ก็ไม่มีต้องความต้องการความสุขหรอกคนไม่มีทุกข์เขาก็ไม่สนใจนะสุขไม่สุขเขคนที่เขาสามารถจับทุกข์ได้ เขาไม่ต้องการความสุขหรอกพระรยานี่เจมส์คใช่พระยาเจ้าท่านจึงไม่ต้องการความสุขฉะนั้นคนที่ยังพอใจในความสุขต้องการความสุขคนที่ยากทุกข์ไม่ได้ก็คือคนที่ยังมีความทุกข์อยู่นั่นเองยังไม่ทุกขใช่แล้วพยายามกใช่เนี่ยคือวิธีการที่เราจะต้องเพราะตราบใดที่เรายังยึดติดในเวทนาคือยึดติดในขันการยึดติดในขันก็เท่ากับว่ายึดติดในทุกข์คืออยากให้มีทุกข์คงอยู่ การที่ยึดติดในทุกไว้ทุกคือเวทนาสุกเวทนาเนี่ยจะทําให้เราพ้นออกไปจากวงจรของทุกไม่ได้เลยมันจะตีวนกลับขึ้นมานั่นหมายถึงว่าชีวิตของเรามีความสุขเน่ะไม่ได้ปฏิเสธหรอกว่ามันไม่มีความสุขมันมีความสุขจริงนะพรความสุขนั้นเรารักษามันไว้เราสร้างมันขึ้นแล้วมันก็อํานวยผลให้กับเราการที่เราทําอย่างนั้นแสดงว่า เรายังมีความทุกข์เพราะเราต้องอาศัยความสุขมาเป็นเครื่องแก้เนี่ยนี่เนี่ยการไม่มีจิตสวยอารมณ์การเสำวยอารมณ์ของจิตก็เสำวยตามปกติแต่ตัวตนของผู้สวยไม่มีมันไม่มีนี่จิตที่มันไม่มีความทุกข์ในตัวจิตมันก็ไม่ต้องแสวงหาความสุขมาเป็นเครื่องบรรเทาหรือแก้หรือรักษาไว้เพราะมันไม่มีความทุกข์อยู่ในนั้นอยอ่แสวงหา ก็ท่านก็หยุดสบายมาเพราะฉะนั้นในชีวิตของคนคนที่มันมีความสุขในชีวิตที่เ้ามองไม่เห็นความทุกข์เลยจิตเขาสบายอะไรมากระทบอะไรที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนก็เป็นเรื่องของปัญหาเนี่ยจิตเขาสบายเขาเบาเขาเขาไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรผู้จับอนนี้คืออุเบกขาที่ควรเว้นนี่แโมหะอย่างไรเป็นอุเบกขาที่ควรเว้นอย่างมากเพราะมันจะทําให้เราไม่รู้จกักทุกข์เพราะถ้าเราไม่รู้จกักทุกข์เนี่ยมันจะไม่เกิดการปฏิบัติ เวลาเรามีความทุกข์เนี่ยเราเริ่มจะรู้จักการที่จะหนีออกจากมันใช่ไหมแต่ถ้าเรานี้ออกผิดทางมันก็ผิดไปเลยแต่ถ้าเราหนีออกถูกทางมันก็ถูกแต่ถ้าเรามีความสุขเราอยากจะหนีออกจากมันไหมไม่อยากจะหนีออกจากมันหลวงพ่อเคเป็นโคมมาก่อนใ่ไเข้าเฉยนี้อะไรก็มาเข้าเฉยส่วนมากมาจากชั้นโคมที่อ่ที่ไม่ค่อยจะเวลาอะไรกระทบเนี่ยจิตจะไม่ค่อยวันไหวต่อความทุกข์ หือว่าม่ชนธรราของมันเองเลยอ่ะเป็นธรรมชาติมีอะไรบ้างมัปุ๊บแหล่ลงปุ๊บเฉยเราจะว่าเป็นอุเบกขาที่ควรดิ้นเป็นความบางเฉยที่ควรดิ้นไม่ได้มีทางไปถึงนิทานเพราะอุเบกขาที่จัดเป็นสุดแต่การรู้ที่มันดับลงไปแล้วในภายหลังมันเป็นการเรียนรู้ใช้คาวิชาก็ได้เข้าไปเรียนรู้ย้อนเข้าไปศึกษาเข้าไปทําความเข้าใจเข้าไปหาหลักธรรมเหตุผลอธิบายให้กับจิตให้ได้เข้าใจสะสมสะสมสะสมวิชาอุดมปาริญาดังอุดมปารี ปัญญาอุปาฏิจะเกิดขึ้นมาเป็นลดับจนเกิดความแจ่มแจง้งอโลโกอุตปาฏิแล้วก็เห็นทีนี้เห็นทรามตามปรัชในขณะปัจจุบันจิตไม่ได้การเห็นนขณะปัจจุบันจิตในหละกเป็นตัวตัดทอนสิ่งที่จะไปสู่การเกิดของภพชาติทั้งมวลมันก็จะทำลายในกรณีนี้ไม่จาเป็นจะต้องไปทำพิธีกรรมใดรทั้งสิ้น ไม่จะเป็นจะต้องไปสวนสักการะใดๆทั้งสิ้นแค่ฝึกจิตในการเรียนรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเห็นตามความเป็นจริงขณะปัจจุบันให้ทันเข้าใจกับาสิ่งที่มาปรากฏกับจิตในขณะนั้นเวลานั้นให้ทันมันก็จะเป็นคุณสมบัติในจิตในการที่จะทำการสืบต่อความรู้นั้นนี้ ไปในทุกๆขณะอะไรจะดับก็ตามแต่ความรู้นี้จะยังไม่ดับเขาบอกเอา้าตอนนี้เมื่อทุกๆทุกอย่างเกิดระดับทำไมความรู้นี้ไม่ดับถา้างนั้นตัวนี้ก็เป็นอัตราที่ทําตัวนี้มันไม่ดับตัวความรู้นี่ก็คือตัวที่จะเป็นหลงผิดยึดถือสิ่งที่เกิดระดับนั้นว่าเป็นตัวตนมันจะไม่สามารถหลงกลับไปยึดถือสิ่งนั้นได้อีก แสดงว่าความรู้เนี่ยที่ไม่มีหลงลืมในการไปหลงยึดในสังขารทั้งหลายนั่นคือว่าเที่ยงไงแต่ม่ใชตาแต่ไม่ใช่อัตาเหมือนเหมือนเหมือนว่าอ่านิยพานอ่าไม่ใช่ไปตายละไม่ใช่อาตาไม่ใช่ไปตายละนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันนะครับก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังแล้วใช่ไหมที่ว่าความรู้ของเราที่เคยเรียนรู้กอไก่เพราะไมาแม่การเรียนรู้นั้นจะดับไปแล้วแต่แต่ความรู้นั้นเรายังไม่หลงลืมอะไรเป็นตัวกอไก่อะไรเป็นเพราะไถเรายังไม่หลงลืม ก็ตัวสัญญาขันทำงานดีสัญญาขันอัตมาใช้ความรู้มากกว่าไม่ใช่สิเป็นจาขันมันเสริมได้นะนี่คือก็ถูกสัญญาขันมันยู่ได้หลังได้แรงเสื่มได้ก็จริงแต่ว่ามันมันไม่ลืมอ่ะไม่หลงลืมตัวที่นำาทำหน้าที่ไม่หลงลืมคือตัวสติสติเกิดจากขันไหนเกิดได้ทุกขันเกิดได้ทุกขันอแต่เี๋ยมีมีประเด็นใช่ ก็เป็นตัวปรุงแต่งไงปรูงแต่งรูปปรุงแต่งเวทนาปรุงแต่งสัญญาปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งด้วยสติสังข า, ารขใช่ตัวสังขารขันที่ประกอบด้วยสติแต่มันมีสตินาใช่สติ <S 2> <S 2> เป็นตัวรูปแล้วนึกก็สติเป็นคุณสมบัติของขันถึนตัวนั้นแล้ว <S 2> <S 2> ขันที่ไม่มีสติก็จะมีประกอบ ด, ด้วยอวิชชาตัณหาประทานขันที่มีสติมันก็จะทําลายอวิชชาตัณหาประทานมันก็คือ ตัวสติเนี่ยจะทำหน้าที่ในสังขารขันไปจนตัวบาสติของพระเลวะทันขันของพระยเจ้าเนี่ยสังขารขันเนี่ยจึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติตลอดเวลาอย่างนั้นพระพเจ้าสังขารขันไม่มีมีแต่สติสังขารขันมันมีก็สตินั่นแหละคือสังขารขันก็ถ้าใช่ก็สังขารแต่ที่ตัวบุญแต่ใช่ไหมพระมาขันจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสติก็คือสังขารขันนั่นแหละทาทุกอย่างด้วยสติงเรียกว่าสติ เขาทำทุกอย่างด้วยสติไม่ใช่ไปเอาสติไปจอดๆนะั่นมาให้ว่าไม่มีสติหลงลืมยิดสังขารใดๆว่าเป็นตัวตนได้ยิกจะไม่มีคานหลงลืมแม้ในขนาดหนึ่งของจิตอาจารย์เขาว่าสังขารถังอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่พิจาราสัญญาฐานนิยามก็สังขารนั่นแหละสังขารคือนี้แหละใช่ขันนั่นแหละตัวสตินั่นแหละคือสังขารขัน สติก็สังขารขันยานก็สังขารขันปัญญาก็สังขารขันเลยม่อ่ะเพาใหมเดินมาแล้ก็เลยนะเเราจะไปจัดสังขารขันแต่ในเรื่องของการพุ้งสร้างการคิดมากความอะไรเราเป็นเิดในเรื่องในหน้านัน แต่เพราว่าส <ens> <ata> ังขารตัวนี้อีกอ่าเรียนให้เาใจความหมายเาว่าสังขารเออนี่ยนต้องสติต้องสติกก็ทำหน้าที่ในการปรุงแต่งสติไม่ได้ทำหน้าที่จำนะสติไม่ได้ทำหน้าที่จเป็นสัญญาณเป็นสติบ้าแต่้าคิดนะคะากาคิดไม่ได้เ็สติเป็นก็คือสติตันั้นมัอ่อนใช่เมื่อเมื่อสติขึ้นมาเข้ามาประกอบปุ๊สติจะทำหน้าที่ไม่ให้คนนั้นหลงลืมในสิ่งที่มันรู้แล้วตามความเป็นจริง สติจะไม่หลงลืมแต่ตสตินั้นก็เป็นสติที่แก่กล้าและสติที่บริบูรณ์ได้มันจะมีเฉพาะในพระละหันนั่นนั้นยังยังมีหลงลืมอยู่อมันไม่มันก็มนไม่ได้เกี่ยวกับความจำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคืเกียวกับสติเข้มแข็งติบริบูรณ์สัญญาไม่เกี่ยวพี่ท่านเคยบอกแต่ว่าสติแปลว่าเห็นอารมณ์ในจิตคนที่อาจารย์บอกว่าพระละหันเท่านั้นที่จะเห็นที่ตอบใช่พระละหันเนี่ยท่า<ค>นจะเห <ใน S 2> ็นอารมณ์จิตตลอดเวลา ผู้หม่ได้งงั้เพียงแต่เราไม่ได้มาพลิกพิจารณอีกด้านนึงเหมือนกับาว่านิวรอ่ะเราไปรู้นิวรณนแต่ว่ากามชันพยาบาลวิจิตช้าสีน้มีธาอุทจักกุกุจารเราคิดว่าเป็นนิวรณ์เห็นไหมด้านไี่ดีแต่สติก็คือนิวรณอันหนึ่งใช่นิอันหนึ่งแต่มันประกอบด้วย้านนิวรณนในชั้นดีไงขั้นอกุศลความคิด นิวรณ์ห้ากั้นอ่ากั้นกุศลสติเป็นนิวรณ์กั้นอกุศลอเห็นหรือยังแต่เราก็ไม่ไม่เคยได้คอยอูดกันเนาะเรื่องเมื่อหลที่จริงสติน่ะเป็นตัวปุงแต่งจิตโดยหน้าที่มันชัดชัดอยู่แล้วเนาะมันชัดอยู่แล้วมันชัดอยู่แล้วนะเนี่ยจริงเราไม่ได้พูดถึงตรงนี้กันไงมันชัดกันอยู่แล้ว จริงอันนี้เป็นเป็นหัวใจเลยเริ่มหันห่าเลยนะมันละเลยหันท่าต้องให้รู้ว่าหันท่ามันไม่ใช่กิเลสรู้สั้นที่กิเลสรูอยติไปหน้าเป็นคนก็แปลเว่าเพราะนั้นมันจะคิดไปรอบโลกฟุ้งซ่านไปรอบโลกมันก็ไม่ใช่กิเลสมันเป็นความจริงที่เรายอมรับมันไม่ได้ส่างถ้าครู้าอมเารัมันไม่ได้ไม่ชอบเราอยากใหจิตมันิ่งอยากให้จิตมันรง เราไม่ชอบไม่ชอบที่มันฟุ้งซ่านเราก็เลยไปตั้งค่าตั้งค่าตั้งทีในความคิดเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเราไปสร้างสิ่งที่มีดีขึ้นจากสิ่งที่มันไม่ใช่ดีหรือไม่ดีในตัว่ามันไม่ใช่แต่เราไปสร้างขึ้นมาเองเราไปตั้งมันกระโดดมันเองมันไมดีมันไม่ดีเกิดเป็นตะกรในใจเยอะนะพุทธเจ้ายังบอกเลยว่าเราตั้งจิตในกุศลธรรมทั้งวันทั้งคืนเราไม่เคยเห็นโทษของจิตที่ตั้งอยู่ใน กามันกายมันอ่อนล้าก็สาแสดงว่ามันมันจะไปอยู่ในข้างของอัตากิรักไปทัดไปพ่อพระองค์เคยบำเพ็ญอัตตะกิรักมาพระองค์จึงทราบว่าไปแ ล, แล้วมันจะเริ่มไปตึงแล้วพองค์จึงผ่อนคลายลงโดยการอะไ<ด>รวะหยุดเจริญกุศลธรรมขึ้นแล้วมาโน้มจิตเข้ามาในภายในรับรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเพื่อให้กายผ่อนคลายลงค<ด>ือกายที<ด>่ล้าน เพราะ ว, ว่ า, าพวามฟุ้งสั้นจะทำให้ไก่ล้าแม้จะเป็นกู้สนัธรรมตัวเองก็กตามจะทำให้ไกาย้าได้พฟมยิงมาอยู่อันนี้เป็นธรรมาชาติมันต่างจากที่โฟมซุ่มบาเพ็ญอัตตกิรมาถาถ้าเป็นอัตตกิรมาถานี่ปุ้งแค่ไหนพฟมก็จะสู้ใช่ไหมสู้ไปสู้ไปล้าแค่ไหนพฟมก็จะสู้สู้สู้จนเป็นขีดจากัดที่คิดว่าโฟงจะไม่ไหวอะไรแบบนี้ทีนี้พองค์ไปรู้จุดถึงว่านี่ตึงไปนะใกล้แล้วใกล้จ ะ, ะเข้าไปยในส่วนของอัตตกิรนะ พวก็เลยผ่อนลงมารู้ลมหายใจเข้า <_ an> ลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกถนะึงไหมกายก็สงบแล้วครับความฟุ้งซ่านก็ลดลงจิตพวกก็เข้าสู่ชาชนเยเข้าออกอย่างไรเพราะในขณะที่เรานั่งนิ่งๆสิ่ที่เคลื่อนไหวมีอยู่อย่างเดียวหลมที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ฉะนั้นการที่เรานั่งนิ่งๆแล้วก็ ร, รับรู้รับทราบอยู่กับมือที่สัมผัสกันอยู่เนี่ย มือขวาทับมือซ้ายต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆความรู้สึกนี้มันจะเข้ามารับรู้ลมปล่อยให้มันรับรู้เองโดยที่เราก็มีความรู้สึกอยู่ที่มือขวาทับมือซ้ายต่อไปเรื่อยๆโดยเพราะมือขวาที่มือซ้ายเนี่ยจะต้องให้จิตมีสติตั้งมั่นในการรับรู้เพราะเบื้องต้นก่อนที่จะไปรับรู้ลมผู้เจ้าบอกว่าตั้งกายให้ตรงดารงสติให้มั่นก่อนใช่ไหมเมืม่อสติเขา ม, ามั่นมั่นอยู่กับการนั่งนะ ดำเนสติให้มั่นอยู่กับการนั่งนะไม่ใช่ลมนะอย่าอย่าไปยุ่งอย่าไปเพิ่งไปยุ่งกับลมพอเรามั่นอยู่กับการนั่งแล้วครับมั่นจริงๆคือเรารับรู้รับทราบการนั่งนั้นได้ติดต่อเนื่องคือรับรู้รับทราบกับท่านั่งกิริยาที่นั่งหรือเอาง่ายๆว่าความรู้สึกของก้นที่สัมผัสกับพื้นเนี่ยแล้วกับมือขวาทับมือซ้ายเราสามารถรับรู้ได้ในขนาดเดียวกันให้ติดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆรืยๆรืๆืๆเอยเรื่อยว่าตั้งมั่นแล้ว เราสร้างการให้ตรงดํารงสติให้มันอยู่กับการนั่งแล้วความรู้สึกนั้นจะไปรับรู้ลมเองอัตโนมัติอาตมา จ, จึงสอนบอกว่าให้ปล่อยเป็นเรื่องของอัตโนมัติเพราะถ้าเราไปสร้างความรู้สึกขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจะเป็นสติที่ที่สร้างขึ้นจากการปูุงแต่งไม่ใช่เป็นการรับรู้โดยธรรมชาติที่รู้ถ้าถ้าถ้าเราดูลมดูถ้ า, ถามันไม่รับรู้ลมก็อย่าไปรับรู้ลมอย่าไปบีบบังคับให้มันรับรู้ เพราะนั่นจะเป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับจิตแต่สิ่งที่เราควรจะรับรู้คือรู้อยู่ที่กายตั้งมัน่นดํารงสติให้มั่นอยู่กับกายนี้ให้สติระลึกรู้อยู่กับการนั่งติดต่อนเนื่องกันไปเรื่อยเรื่อยตั้งมเมื่อทําได้แล้วนะหากทาได้แล้วเป็นไปไม่ได้ว่าคนนั้นจะมีรู้ลมเข้าออกมันจะรู้ของมันแต่ไม่ใช่ไปจดจ่อลุ้ จจรู้อให้รับรู้อย่างนี้แล้วก็ไอความรู้ที่มันรับรู้อยู่ต่อเนื่องมันจะไปรู้ลมอัตฉริยะมาเรียนให้ดูตรงนี้ว่าเ่เริ่มต้นแล้วพอมันได้ขึ้นมามันก็ตรงนี้ไม่ได้ดูละมันหายไปไม่เคยมันจะมีลมเข้าออกเย็นรายละเอียดเข้ารายละเอียดเข้ารยละเอีเข้าแต่เส้นก็มาดูมาได้เสียงทักปะอก็มันเป็นเมื่อมันแต่มาจากการฝึกอย่า็เนี้ถ้าเริ่มมาจากการฝึกอย่างนี้ก็แล้วเราจะทำยังไงต่อตอนนี้มัน มันเป็นถานเฉพาะทนไปแล้วอันนี้ต่างกันแล้วต่างจากที่อาตมากำลังจะแนะนําเพราะว่าสิ่งที่แนะนําไปนี้สังเกตว่าเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆทำตามที่อาตมาแนะนําไปเนี่ยร่างกายมันจะผ่อนคลายลงจริงๆไอ้สภาวะที่มันเกิดการล้าจากการฟุ้งเนี่ยมันจะผ่อนคลายลงผ่อนคลายจะเกิดความสุขอ่อนๆขึ้นมารองรับรองรับภายร่างกายเนี่ยมันจะรู้สึก แต่เราเราจะมีความเบามันจะแผ่ซ่านจะแผ่ซ่านออกไปทั่วทั้งหมดเลย่กระบวงการที่ทํามาก็จะนี้แหละทีนี้เราจะเห็นลมหายใจชัดตรงที่ว่ามันจะหายใจลึกขึ้นยาวขึ้นออกยาวขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้หายใจโดยทําให้มันยาวแต่มันจะหายใจลึกแล้วก็ออกยาวหายใจเข้าลึกออกยาวซึ่งเราจะไม่รับรู้อาการนี้ได้ง่ายๆเลย ถ้าถ้าาความรู้สึกในกายเราไม่ไม่ดีพอทีนี้มันจะเกิดความแปลกใจอยู่ที่ว่าเวลาเราหายใจเข้าลึกมันจะชัดทีนี่มันจะชัดมันจะทิ้งการรับรู้อยู่ที่ท่านั่งให้กลับไปรับรู้ท่านั่งให้มากที่สุดถ้าที่จะทําได้แล้วก็มือทำดีใช่หือขาท่านั่งนั่งเอก็ได้อาจารย์ขาท่านาั่งไปสักพักมันเหมือนกับตัวหายไปนะเออเมันอเป็นอย่างเงี้ยก็จะก็ไม่เป็นไรมันจะเบาไปเลย ก็แต่ให้กลับไปทะลึกรู้าใช่ให้รัลึกๆดูท่านั่งว่านั่งอยู่ท่าไหนเดี๋ยวมันก็กลับมาเองอีกมันไม่ได้กลับไม่ได้ไปไหนมันอยู่กับพี่นั่นแหละมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกของเราที่ควารู้สึกมันนานแหายไปก็ให้รู้ว่าการหายไปก็ระลึกระลึกถ้าเราไม่ระลึกสติเราก็จะขาดหายจากไกลเราก็ต้องระลึกการท่านัทั้งทัที่มันไม่ได้รู้สึกพอมีคนมาเล่าให้ฟังว่าหายใจเข้าหายใจออกเวลามันอันอันอันที่ปรากฏ เราต้องสามารถอธิบายให้จิตได้เข้าใจแล้วก็พยายามจัดอารมณ์ลงในขันให้ได้ตามความเป็นจริงของขันเพื่อที่จะเราจะรู้หรือว่าเข้าไปทักได้ถูกว่าขันชนิดไหนเกิดแล้วกระดับมันจะเกิดเป็นความรู้ถ้าเราบอกจิตผิดแล้วทําไงฮะถ้านจะเข้าใจผิดแล้วบอกจิตผิดแล้วว่าไงจิตก็บอกว่าจิตเข้าใจผิด <c oughs> จิตทักผิดเมื่อกี้ให้จิตรับรู้ผิดจิตเข้าใจผิดก็ตั้งความรู้ขึ้นมาใหม่แล้วก็บอกว่าเราบอกใช่แล้่า เราว่าจิตเกิดทุกขันเนี่ยพอเรามารู้แล้วว่าตัวแท้มันเกิดมาจากสังขารกั็เราอ๋อเมื่อกี้จิตที่รู้ผิดก็ว่าก็เข้าไปทัก ก, การเข้าไปทักเป็นการสร้างเขาสร้างความรู้เข้าไปรู้นั่นเองเมื่อทักแล้วมันก็จะเกิดความรู้เป็นการฝึกสติอย่างเป็นเป็นเป็นบทที่อาตามาพยายามนมาํามาอะไรว่าอธิบายเรื่องราวที่จะกําหนดรู้เพราะถ้าเราไม่บัญญัติคําหรือภาษาเอามาใช้เนี่ยไม่รู้จะบอกว่าอย่างไง ก็เลต้องบอกเข้าไปทักทักว่านี่คือขันนี้อันนี้คือขันนี้อันนี้คือขันนี้จิตคิดลึมไปในอดีตก็ให้รู้ว่าตอนนี้จิตกําลังคิดเรื่องอดีตจิตกําลังปรุงแต่งอดีตจิตกําลังคอยไปตามอดีตจิตกําลังอยู่กับอดีตขณะที่กําลังทักอยู่นั้นอ่ะมันจะเป็นปัจจุบันทันทีนะหรือจิตกําลังคิดไปเรื่องอนาคตก็รู้ว่าตอนนี้เรากําลังคิดเรื่องอนาคตจิตกําลังปรุงแต่งอนาคตอนาคตกําลังปรุงแต่งจิตเรา ขณะที่ทักอยู่อย่างนี้มันก็จะเป็นปัจจุบันปัจจุบันทันทีมันจะรู้แล้วมันก็จะเกิดบนเรียนอย่างเงี้ยเราต้องรีบพักกับจิตให้ทันเพราะว่าจิตมันไม่มีทางออกไปทางนอกยังไว้เลยนี่คือพอสําคัญจิตมันอยู่ในออกสั้นยาวสั้นเลยเป็นความรู้เพราะว่าความรู้ในกายมันจะไปรู้เองปล่อยให้มันรู้เองดีกว่าการรู้เองเป็นการรู้แบบธรรมชาติมากมากกว่าการที่จะเป็นจดจ่อรู้เพราะในขณะที่จดจ่อรู้มันจะมีลักษณะของการบังคับอยู่ในตัวการบังคับให